อันนี้คูไม่เอาไปฟังอาไว้เจ็บเป็นเดียเล็กมากกว่าโอ้โหมันหลีกห้อแล้วกัน ท, ที่โทรคุยสามีก็รู้สึกว่าร่างกายไม่รับอาหารเนดะินเพราตั้งใจจะมาแเ้วถ้าพิจารณาอยู่เป็นอาจาก็รูร้ว ม, มันจะต้องเป็น ตัวเขาบอกว่าถ้าได้ได้ท่นากานสอนหนแต่ว่าสงสารสามีมากทุรนทุรายมากสงสารตัวเองเอเดี <laughs> ย๋ยวตัวเองก็ท้าไปเหมือนกันแต่ละคนก็ต้องไปด้วยกันต้องเียบใพ่ได้กลวยด้วยกันนะงนนะสงสารเขาท่านอะไรให้เราคืสอสงสารตัวเราดีกว่าเพื่อ เ, เราจะได้รื้อผ่านที่ขึ้น กันมี้ิรุณแล้วจไม่เดือดร้อนเราแยกกายอแยกกายออกจากกายได้ไม่สบาี่วนี้มติดกันเป็นเหือนปลาท้งโกกายเป็นังไงใจก็เป็นไปด้วยแล้วเป็นหนักกว่าเป็นหนักกว่ากายถ้าเราคิดอะไรอย่างเงี้ยๆคิดสอนวราเราเกิดมาแล้วย่อมีความแก่เป็นธรรมดา ย่อมมีความเจ็ดไข้ได้เกิดเป็นธรรมดาย่อมมีความตายเป็นธรรมดาย่อมีการพัดท่าจากการเป็นธรรมดาล่วงพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายจากการพัดท่าจากการไมด้ถ้าเราสอนใจเราอยู่เรื่อยๆแล้วใจมันจะสงมันจะไม่ดิ้นมันจะไม่ผึงตามผืนนี้มันเป็น การผิดธรรมชาติของของความจริงและของใจถ้าไปขืนธรรมชาติแล้วใจก็จะรับเ้าะกรรมใจก็จะทุกขึ้นมาถ้าใจรับความจริงได้ใจก็จะไม่ต่อต้านไม่ต่อสู้ใจก็จะสงบใจสงบนั้วก็มีความสุข น, นั่นคือ เหตุที่เราจะต้องพิจารณาสัจธรรมคืออริยสัจข้อที่หนึ่งทุกข์สัจหรือการเกิดแต่เจิดตายสอนใจให้รู้ว่านี่คือความจริงที่ฝืนไม่ได้ที่ต่อต้านไม่ได้มีความจริงหลายอย่างที่ต้องเรายอมรับได้กันในชีวิตประจำวันให้เราเราคิดไม่ค่อยทุกมากนะ เราต่อต้านกับทุกอย่างในโลกนี้แล้วเราจะพูดถึงตลอดเวลาที่เราอยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาภาิที่ขึ้นภาพที่ตกเราอยอนนะเราไม่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของฤดูหนาวเป็นร้อนน้อนเป็นฝนฝนเป็นหนาว เราก็ไม่ได้ไปต่อต้านไปไห น, ในเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูากาลเราก็ไม่ทุกกับการเปลี่ยนแปลงถ้าเราไปต่อต้านอยากจะให้หนาวไปตลอดเราจะเดือร้อนขึ้นมาคนมีสตางค์เลยต้องดิ้นหาที่นหนาวอยู่เรื่อยๆอยู่ที่ร้อนไม่ได้ อย่างคนที่มีสตางค enfin ์เขาจะทําอย่างนี้กันเวลานี่หนาวมากๆเขาก็บินมาที่มันไม่หนาวมากก็มันร้อนมากๆก็บินไปที่มันไม่ร้อนมากมีสังการไม่ยอมรับความคิดเห็นเห็นคนรวแล้วพวกเราอาจจะอิจฉาคิดว่าเขามีความสุขนะเขาบินไปนู่นมานี่หรนีสิ่งต่างๆได้หนีความร้อนได้หนีความหนาวได้ แต่มองทาหลักธรรมะแนละ้วเขามนันเดืก็เขาทุกเขาไุ่นวายเขาอยู่ไม่เขาอยู่ไม่เป็นสุขเขาลักกับความเจิบไม่ได้ส่วนคนจนนี่แหละกับเป็นคนที่สบายกว่าคนรวยในในเรื่องแบบนี้เพราะคนจน ร, รู้จักทำใจร้อนก็ต้องให้มันร้อนไปมันก็ไม่มีซื้อเครื่อ ง, องรปรับอากาศมรดิหนาวก็ ถือไฟไว้เลื้อห่มภาพใจตามมีทางเกิดไม่มีงานที่จะบินใจที่มันที่มันไมาหนาวคือ่งการเดินทางไปแต่ละครั้งมันสนุกที่ไหนเราจะต้องเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปลียนใจเปลี่ยนสิ่งต่ตางๆเรื่องของการทำาสือเดินทาง ทำหรืออ น, นุญาตท่องเที่ยวเรื่องของการถีอโยงถีอยาเรื่องของการเดิ น, ดนทางที่เสียงภัยขึ้นไปกึนดบึงก็ไม่รู้ว่าจะลงมาในรูปแบบไหนไมันเป็นความทุกข์เนแต่มองไม่เห็นไปเพราะถึกกำนาจของความอยาของความ อาวิชาคุควาหลวที่พยายามที่จะต่อสู้ต่อต้านกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่ ง, งตา่างๆชีวิตก็เลยขึ้นไปขึ้นมาจิตใจไม่มีโอกาสที่จะได้พบ ก, กับความสงบสุขของใจเพราะใจไม่มีโอกาสที่จะสมบตัวอดูความอยากนี่คอยปั่นหัวอยู่ตลอดเวลา เหมือนจริงลยคือถือปั่นให้ให้ส่งเสียงร้องอยู่ตลอดเวลาดังนั้นพระพุทเจ้าจึงต้องสอนให้เรากำหนดรู้สัจธรรมความจริงของวิ่ก็คือข้อแรกอนีอ้ทุกขสัจจะเป็นความจริงที่ตายตัวเป็นความจริงที่ ต้องเป็นกับทุกๆคนที่มาเกิดเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาจากกันแต่ทรงสอนว่าเมื่อพิจารณาแล้วจะทำให้ใจสงบได้จะทำให้ใจไม่ทุกข์ได้ถ้าไม่พิจารณาจะถูก ความหลงนี้หลอกให้ต่อต้านหรือให้ให้หลบหนีให้หนีซึ่งหนีอย่างไรก็ ห, หนีไม่พ้นเพราะมันเป็นแนาตามตัวจะหนีไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ส่วนไหนในโลกนี้ความแก่ความเจ็บความตายมันก็ตามมาจะทำให้ตนเองรวยขนาดไหนมีอำนาจวาสนา ยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะหนีจากความแก่ความเจ็บความ ต, ตายไปได้และจะต้องทุกข์ไปอยู่ตลอดเวลาแต่สิ่งที่ผู้ที่พิจารณาเอาเรียงศึกข้อแรกรี้อย่างสำนั่เสนออย่างต่อเนื่องจนจิตใจยอมรับกับความจริงอันนี้ได้จะไม่ทุกข์กับ ความแก่ความเจ็บความตายแล้วไม่ทุกกับการพักผจากสิ่งต่างๆไปนี่คืออนิสง์ของการศึกษาหรือของการ ส, สอนใจให้รู้ถึงความจริงที่ใจมาเกี่ยวข้องด้วยก็คือร่างกายที่ใจมาครอบครองมาหลงมายึดมาติด ว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่เพียง ม, มันมีการเปลี่ยนแปลงมีแก่มีเจ็บมีตายรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้และยอมรับมันใจก็จะสุกความอยากที่จะให้มันอยู่ไป น, นานๆไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ตาย ก็จะไม่สามารถทํางานได้เมื่อความอยากมีไม่สามารถทํางานได้ความทุกข์จังก็จะไม่เป็นผลที่จะเกิดขึ้นตามมานี่คือการการทํางานของนรการศึกษาการสั่งสอนใจในใหในเรื่องของความเกิดแก่เส็บตายนี้เราเรียกอมาคือให้สร้าง สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องให้เห็นว่าความเกิดแก่เจิดตายเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเหมือนของเหมือนของการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลได้เราอยอมรับการเปลี่ยนแปลงของวันเวลาได้ทำไมเราจะรบับกับการเปลี่ยนแปลงของ รากายไม่ได้มีคนที่เขารับได้เขาทําได้เช่นพระพุทธเจ้าพระสาวกทั้งหลายท่านก็รับสิ่ง ไ, ได้เมื่อท่านรับได้ท่านก็สบายเมือกับพวกเราสบายกับการยอมอรับการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลเราก็ไม่ต้องเด้เงนนไปหรือจากมันไม่ต้องเดินทางเวลา ที่เกิดอาจาร์ที่ไม่ถูกใจเราเราไม่ต้องไปไหนเราก็อยู่ตรงนี้แหละเราก็ปรับใจปรับกายของเราให้รักกําเังไปแล้วเราจะมีความสุขเพราะความสุขนั้นเกิดจากความสนุกของใจใจจะสุขจะสุบได้ก็เมื่อตันหาความอยากต่างๆถูกก้านออไปและตันหา ความอยากใน่ารจะถึงจะรับไปได้ก็ต้องด้วยการยอมรับความจริงหลังจากที่ได้ศึกษาความจริงแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เปลีป่ยนแปลงไม่ได้เป็นความจริงที่ตายตัวสิ่งที่เปลี่ยนได้ก็คือความอยากอยากไปอยากเป็นสิ่งแล้วมันก็จะไม่เป็นปัญหามันก็จะไม่ทุกข์นี่คือการทางานของ อริยสัจสีนั้มีอยู่ในใจของเราและทํางานอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่มันจะทําไปในทางที่สร้างความทุกข์ให้กับเราทุกครั้งที่เราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้าเราไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้สอนใจว่าเป็นเรื่อธรรมดาเราจะเกิดความอยากขึ้นมาทันทีอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย อยากไม่พลาดจะกิงต่างๆพอเกิดความอยากนี้ขึ้นมาก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเกิดความไวิตกกังวลเกิดความวาม่วาเรื่นสับสวขึ้นมาเกิดความทุกข์แล้วก็นําพาไปสู่การแก้ปัญหาที่ผิดคือจะต้องมีปัญหาวิธีป้องกันร่างกายด้วยวิธีการต่างๆ ใช้ยาบ้างใช้สารเคมีบ้างถ้าอยากจะให้สาวให้หนุ่มไปเรื่อยๆก็ต้องใช้ยาบ้างใช้สารเคมีถ้าผมก็ก็ใช้สีย้อมวันเรื่อยๆเพื่อให้มันแข็งมันเหมือนกับสีของคนหนึ่งคนสาวหนังถ้ามันยานก็ไปเด่งมันให้มันเป็น แต่มันก็ทำได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งไม่กี่ปีมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมและจนในที่จุดก็จะไม่สามารถที่จะไปทำอะไรได้แต่ทุกขณะที่อยู่กับมันก็จะมีแต่ความทึบความท้อเงินอยู่ตลอดเวลาถ้ายอมรับความจริงได้แล้วจะไม่มีความทึบเลยจะสบาย อ, อกสบายใจ แก่ก็แก่เจ็บก็เจ็บตายก็ตายเห็นจะมีอะไรที่จะสราไปไปวุ่นวายไปกันไหมนี่แหละเป็นสิ่งที่พวกเราควที่จะพิจารณาอยู่เรื่อยๆการพิจารณาอยู่เรื่อยๆนี้เรื่อว่าเป็นการเจริญรักรักต้องเจริญให้มากเจริญให้สมดุล จเจริญให้เป็มที่ด้วยการกำหนดรู้ทุกก็คือศึกษาพิกักจักรศึกษาเรื่องของการเกิดแก่เก็บตายเรื่องของการธัดุธาตุแตกันว่าเป็นเรื่องธรรมดานังที่ทงสอนพระอเนกให้พิจารณาความตายทุกลมหายจางก็ออกนี่แหละก็คือการเจริญมาด้วยการกำหนดรู้ทุก คือข้อที่ว่าเกิดมาแล้วก็ต่ตายหายใจออกก็ว่าถ้าไม่หายใจเข้าก็ตายหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายพอยรู้อย่างนี้แล้วใจจะค่อยๆน้อมรับมันน้อมรับความจริงแล้วใจจะเกิดความสมุบเกิดความสุขระงับดับความกัวงวลยงระงับดับความวุ่นวายกระสับกระสาย กินไม่ได้นอนไม่หลับได้พอเล่าพอเห็นผลแล้วทีนี้ก็จะติดใจจะพิจารณาอยู่ตลอดเวลาพิจารณาจนไม่มีความอยากที่จะอยู่ไปนานกว่าความจริงอยู่ไปแล้วจะเป็นอย่างไรก็ให้มันเป็นไปตามความจริงั้งมัน มันแก่ก็ให้มันแก่ไปมันเจ็บก็ให้มันเจ็บไปมันตายก็ให้มันตายไปผู้พิจารณาไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเสียจะไปเดือดร้อนทําไมเมื่อพิจารณาไปเรื่อยๆนะผู้พิจารณากับสิ่งที่ถูกพิจารณามันจะแยกออกจากกันมันจะเห็นได้ชัดว่าอ๋อสิ่งที่กาลังพิจารณาอยู่นี้ กับผู้พิจารณาอย่างนี้มันเป็นคนละคนเลยผู้พิจารณาเป็นเหมือคนดูหนังส่วนเสียที่ถูกพิจารณานั้นเป็นเหงือนตัวสแสดงก็ดูตัวสแสดงสแสดงไปคนดูก็ดูไปอย่าไปได้ไปเสียกับคนสแสดงเสียมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราดูภาพยนตร์แบบใจเราไม่ได้ไปเข้าข้างใคร เราจะไม่เบียดเบียนกับเหตุารณ์ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์แต่ส่วนใหญ่เวลาเราดูภาพยนตร์<ม>เรามักจะเข้าข้างตัวเอกพระเอกนางเอกเรามักจะไปคิดว่าเราเป็นพระเอกนางเอกกันแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเอกนางเอกเราก็อดที่จะตื่นเต้นหวาด ก, กลัวหวาดเสียวขึ้นมาไม่ได้เป็นป้อใจของเราเอน ไปผูกติดไว้กับพระเอกนางเอกแล้วร่างกายเราก็เหมือนกันร่างกายเราก็เป็นเหมือนตัวแสดงใจก็เป็นเหมือนคนดูใจมันก็ไปผูกติดมากับร่างกายว่าเป็นตัวฉันตัวเราพอร่างกายเป็นอะไรก็เกิ ด, ก, ก, ดก็เกิดความหวาดกลัววาดยิ้ตกเกิดความกังวลเกิดความเสีย อ, อกเสียใจขึ้นมาทันที ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่องนี้แล้วต่อไปเราจะเข้าใจว่าเราเป็นหลงมันเองร่างกายเขาไม่รู้เรื่องรอเขาก็สแสดงไปตามบทที่เขาธรรมาชาติขอตเขาสแสดงมาเขาเป็นเหมือนต้นไม้ต้นหนต้นไม้ก็มีการเกิดขึ้นสร้างอยู่แล้วก็ดับไปมาจากดินน้ำลงไฟเหมือนกันร่างกายก็มาจากดินน้ำลงไฟเหมือนกัน ต่ตรงที่ว่าร่างกายนี้มีใจตรงคนคอยควบคุมดูแลเป็นคนคอยสั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆส่วนต้นไม้นี้ไม่มีนอกจากว่าคนไปไปเอามาเป็นสมบัติเช่นปลูกต้นไม้ขึ้นมาแล้วมันก็ยึดติดว่าเป็นของคน เวลาปลูกบ้านนักจะปลูกต้นไม้ด้วยแล้วก็นักจะมีความผูกพันกับต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เวลาต้นไม้เกิดเป็นอาย ไ, ไปใจก็มึนอายไปกับต้นไม้เพราะโดยธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนั้นใจที่มีความหลงครอบงำอยู่นี้เวลามีอะไรแล้วมักจะยึดติดนักจะอยากให้มันดีเสมอ อยากจะให้มันอยู่ไป น, นานอยากจะให้มันมีแต่ความเจริญไม่อยากให้มันเสื่อมไม่อยากให้มันตายไป แ, แต่นี้มันเป็นความอยากที่สร้างอยู่บนพื้นฐานของความโง่คือไม่ศึกษาความจริงเลยว่าความจริงของธรรมชาติของเป็นอย่างไรของเสียงเป็นสั่งเขาเป็นอย่างไรจริงในตางถ้าเราพิจารณาดูทุกอย่างมีจุดเกิดและมีจุดดับ ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ที่เกิดมาแล้วจะไม่ดับไปจช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองบางอย่างก็เกิดปั๊บแล้วก็ดับไปเส้นเสียงที่เราได้ยินแต่ละครั้งมันปรากฏเข้ามาปั๊บแล้วมันก็หายไปมันเร็วมากแต่ถ้าเป็นวัตถุนี่มันจะช้าหนึ่งอย่างก็เร็วบางอย่างก็ช้ามีความแตกต่างกัน สิ่งที่เหมือนกันก็นกคือมีเกิดมีดับทุกสิ่งทุกอย่างเราจรึงต้องศึกษาความจริงเพื่อให้รู้ทันเมื่อรู้ทันแล้วจะได้ปล่อยเขาปล่อยวางปล่อยให้เขาอยู่ตามความจริงของเขาเราก็อยู่ความจริงของเราเราคือใครเราก็คือคนดูนี่แหละ ดูเฉยๆอยากไปได้เสียกับสิ่งที่เราดูถ้าเราไม่ได้ไม่เสียกับสิ่งที่เราดูแล้วเวลาเสียเราก็ไม่เสียใจเวลาได้เราก็ไม่ดีใจเราจะรู้สึกเฉยๆเพราะเราไม่ได้อยู่เราไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีเขาเพื่อให้เรามีความสุขเพราะความสุขของเราเกิดจากการปล่อยวางโดยจากการความสงบ ขอใจที่เกิดจากการปล่อยวางสิ่งต่างๆนงี้เงใจถ้าไม่มีความอยากแล้วใจจะนิ่งสงบอยู่ตลอดเวลาจะมีความสุขตลอดเวลาเป็นพลังสุขขังตัวที่มาทําให้ใจไม่มีปพลังสุขขังก็คือความอยากต่างๆนงี้ดังนั้นการจเจริญมรรคด้วยการพิจารณาด้วยการศึกษา สัจธรรมข้อแรกจะเป็นการทําให้ละสมุทัยคือเหตุที่ทําให้ใจทุกข์คือปัญหาทั้งสามได้เป็นเหตุที่จะทําให้เกิดนิโรธคือการดับของทุกขท์ทรมาในใจได้นี่คือการทํางานของอริยสัจที่พระสาวกที่พระพุทธเจ้าทํากัน แต่ปุถุชนนี้จะทํำตรงกันข้ามแทนที่จะพิจารณาอริยสัจข้อละไม่พิจารณาไม่สอนตัวเองเลยไม่เคยสอนตัวเองว่าเกิดมาแล้ว ต, ต้องจะต้องเจ็บต้องตายพอไม่สอนครอบความหนงมันก็เข้ามาครอบงำทาให้เกิดความอยากอยูอย่ไปนานๆเพื่ออะไรเกิดความอยากที่จะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายไม่ตัดท่าจะสูญสิ้งต่ามไปแล้วก็จะเกิดความอยากอย่างอื่นตามมา เมืเ่ออยากอยู่นานก็เพราะอยากจะมีความสุขกับการเสพกามนั่นเองเสพรูปเสีงสยงเกลื่อนลดปวดทุกข์โดยอาศัยปัวิวะอยายพันธ์ของร่างกายคือตาหูจมูกลิ้นกายเป็นเครื่องมือก็เกิดกามปัญหาขึ้นมาหาความสุขจากรูปเสียงเกลื่อนลดหาหรือไม่ว่าเป็นการหาความทุกข์ในสัตัวเองเพราะเป็นเหมือนยาเสพติด ยาเสพติดนี่เราก็รู้ว่าเมื่อเสพแล้วมันเป็นยางยาเสพติดนี้มันก็รูปเสียงกล็ลดลดปวดทาระเหมือนกันเวลาเสพยานี้มันต้องใช้อะไรเสพใช้ป่ากป่ามันก็ต้องมีการลิ้มรสเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็เป็นปวดทาระทําให้ร่างกายมีความรู้สึกอย่างอย่างได้อย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ติดกับความรู้สึกอย่างนั้นเวลาถามความรู้สึกอย่างนั้นไปก็ เกิดอาการลงแดงต้องหามาเสษอยู่เรื่อยๆผนใด้ตามเศษรูปเสียงกิดรูปสัมผัสชนิดอื่นๆที่ไม่ใช่ยาเสพติดมันก็เป็นแบบเดียวกันสางกันตรงที่ความรุนแรงมันจะไม่เท่ากันอย่างอื่นนี่มันยังพอที่จะทนได้ถ้าอยากจะทนแต่อย่างยาเสพติดนี่มันมันเจ็บปวดมากกว่าเวลาที่จะเลิกเน แต่มันก็อยู่ในรูปแบบเดียวกันต่ามคนที่ต่างกันตรงที่น้ำหนักของความเจ็บปวดถ้ายาเสพติดนี้มันเจ็บปวดมากลองติดแล้วเลิกยา ล, ลองมาก็พวกซุรายาเมาดูด้ดีลองมาก็พวกกาแฟาพวกนั้นเครื่องเดือดชูกําลังทั้งหลายลองมาก็คือการดูหนังฟังเพลง าการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอยู่ไม่ติดบ้านบ้านอยู่ไม่ได้อยู่แล้วจะใจจะหัวอกจะระเบิดจะต้องออกไประบายออกไปคลายระเบิดดูนี้ก็ระบายได้ชั่วขณะที่ออกไปพอกลับมาก็เกิดการอึดขัดเหมือนเดิม อยู่กลับมาบ้านก็ได้แต่พอมาพักผ่อนหลับนอนพอได้กําลังแล้วทีนี้มันก็เหมือนกับไปเสริมกำลังของลูกระเบิดที่มีอยู่ภายในใจถ้ามันมีแรงดันออกมาก็ต้องออกไปออกไปอยู่เรื่อยๆพอเนี่อพอหมดแรงแล้วก็กลับมามาใหม่มันเป็นเรื่องของ ความหลงพาไปพาไปสู่ความทุกข์ความอยากต่างๆนี้มันพาไปสู่ความทุกข์เพราะว่ามันไม่เคยรู้จักคำว่าพอความอยากนี้ไม่ได้ทําให้ความอยากหายไปหรือหมดไปแต่กลับทําให้มีความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป็นเหมือนลูกโซ่พ อ, อพออยากลูกนี้นะ ม, ม, มันก็มีอีกลูกหนึ่งเกี่ยวติดมาพออีกลูกหนึงมันก็มีอีกลูกหนึ่ง ตามมาอยู่เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสิ้วิธีที่จะหยุดความอยากนี้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องเห็นว่าความอยากเหล่านี้ไม่ได้สร้างความสุกข์อาที่หลราคิดกันให้ความสุกข์ก็น้อยเท่าน้อยกว่าให้ความทุกข์ความทุกข์นี้มีมากกว่าเหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดคนที่ไม่เสพ ไม่ติดยาเสรจติดยาเห็นชัดเลยว่าโอ้ยาเสร็จนี้มันมีโทษมากกว่าล้วไปเสพกันทำไมพราเวลาเสพแล้วมันก็ติดมันมีความติดในขณะที่เสษคนที่ไม่ติดคนที่ไม่มีความอยากในการเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็อยู่ปิดบ้านได้เขาอยู่บ้านเขาก็มีความสิด บ้านเป็นที่ปลอดภัยถึงบ้านเป็นสถานที่อำนวยความสุดความสบายได้อย่างเต็มที่แต่กลับอยู่ไม่ได้เพราะมันไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะชนิดต่างๆมาบำรงบำเรอความอยากของกามตาตฐานะแต่ถ้าไม่มีกามาตัาหาแล้วอยู่ไม่อยากจะออกกันบ้างไม่้จะไปไหนไปที่ไหนมันก็มีเหงื่กันมีรูปเสียงกลิ่รรนรสโผฏฐะเหมกัน ที่บ้านก็มีโน้ตีูงเกินวัดโผล่ถ้๊ะเหมืกันแล้วเมื่อไม่ติด ก, กับโู้เสียงกินวัดโผล่ถ้๊ะชนิดใดชนิดหนึ่ ง, งแล้วก็ไม่เห็นมีความจํำเป็นที่ต้องไปที่ไห น, นก็อยู่บ้านอย่างมีความสุขเช่นเดียวกับความอยากมีออยากเป็นมันก็เป็นลักษณะเดียวกันกับการวัตถนาเพียงแต่วัตถุตา่างกันแทนที่จะเป็นโน้ตเสียงเกินรน้ตโผล่ถ้๊ะมันก็เป็นฐานะภาพ อยากรวยอยากจะมีอา น, นาจวาสนาอยากจะมีตมําแหน่งสูงๆอยากจะให้คนยกเน่าสรรเสริญนับถือกราบไหว้บูชาที่มันก็เป็นกิเลสมันก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งแล้วพอได้เต็มแล้วมันพอที่ไหนมันก็ไม่พอมันก็อยากจะให้ใหญ่โตขึ้นไปเรื่อยๆหรือถ้าไม่ใหญ่โตอย่างน้อยก็ให้มันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ศึกษาทางประวัติศาสตร์ดูก็จะเห็นว่าคนใหญ่คนโตขนาดใหญ่ถึงเวลามันก็หมดไปเวลาหมดตอนนั้นแหละมันก็ทุกข์ทมานใจเวลาอยู่ก็ทุกข์ารมานใจแบบหนึ่งเพราะกลัวว่าจะหมดไปก่อนกลัวว่าจะถูกผู้อื่นมามาแย่งไปมาขักให้เรา ออกไปจากสถานะท่าที่เรามีอยู่มันก็เป็นความเพิ่มอยู่ตลอดอยู่แล้ความทุกชนิดที่สามก็คือความความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัฒนาไปสู่ต่างๆไปนี่คือตัวปัญหาท่าใจเปลี่ยนเหมือนรางกายความอยากนี้ก็เปลี่ยนเหมือนโชโรของอาจาร มีเชื่อโรคสามตัวนี้อยู่ในใจแล้วก็จะมีโรคคือความทุกข์ใจยาที่จะรักษาโรคก็คือมรรคนึงเองมกมรรคก็คือธรรมโอษฐ์ที่มีสมาทิฏฐิอามาสกัปโตก็คือตัวสติปัญญาสมาธิสิ่ที่เป็นตัวที่จะมารักษามาทำจัดเชื้อโรค คือความอยากทั้งสามเมื่อไม่มีความอยากทั้งสามนี้แนละ้วโลกก็หายโลกคือทุกข์กนี้ก็หายไปจากใจใจก็อยู่อย่างปกติสุดไปตลอดดังนั้นพวกเราเควรที่จะกินยา น, นี้บ่อยๆหมอสมั่งนะว่าให้กินทุกเวลาเลยพระพุทธเจ้าทุกลมหายใจก็ออก ไม่ใช่วันละสาเวลาอย่างที่พระอานน์กาตทุนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามพระอนุนวันหนึ่งเธอพิจารณาความตายสักกี่ครั้งสาเวลาครับผมเชา้ากลางวันเย็นสี่เวลาและก่อนนอนพระพุทธเจ้าบอกเธอยังประมาทอยู่การพิจารณาเท่านี้ยังไม่พอเพียงยังไม่สามารถที่จะกาจัดอความทุกข์ กำจัดความอยากที่เป็นเหตุสร้างความทุกข์ได้เพราะว่าความอยากนี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลานั่นเองความอยากของเรา น, นี้มันทำงานอยู่ตลอดเวลาสังเกตดูเห็นอะไรป้อมนี่จะเกิดความอยากขึ้นมา ท, ทันทีไม่อยากได้ก็อยากหนีน้อยนักที่จะเฉยๆที่จะพอใจเห็นอะไรก็อากแต่ว่าพอใจดีชัว่วกบพอใจ ไม่ใช่เรื่องของเราเราเป็นคนดูหนังก็ดูไปเท่านั้นเองหนังดีก็เรื่องของหนังหนังไม่ดีก็เรื่องของหนังคนดีไม่ต้องไปเต้นแรงเต้นกล้าไปกับหนังที่ดูใจที่มีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นจะดูสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้แก่ก็รู้ว่าแก่เจ็บก็รู้ว่าเจ็บตายก็รู้ว่าตายก็ทํานั้นเองถ้ายังทําไม่ได้ก็ต้องฟ้องทําการบ้าน สอนใจดูตัวเองแก่ไปเรื่อยๆไปทำถ้ามีเครื่องคอมก็ลองเอารูปของเราไปแต่งหน้าให้มันแก่ลองดูทาสีขาวูีบ้านเนีย่ยเครื่องคอมนี่ก็มีประโยชน์ได้ถ้าม้ตัดใช้นหแปลางงั้นมันเป็นคนแก่ตายงั้นมันเป็นคนเจ็ดเอาสายยงสายยามเสียบเข้าไปเอาโรงศพมาวางไว้ทำข้าวจับมันเข้าไปในโรงศพ จากก็ไปในเม t จุดไฟเผา<ม>ดูมันไปอย่างนี้เรื่อยๆท่านลองดอได้ว่าความจริงมันจะทำให้ใจเราต้องยอมรับความจริงนี้อย่างแน่นอนถ้าเราสอนมันอยู่เรื่อยๆมันจะไม่ลืมส่วนใหญ่มันจะลืมเพราะว่าใจเราทำงานได้ทีละอย่างถ้าเราทำงานเรื่องนี้เราก็จะทำงานเรื่องนั้น ไ, ได้ที่ส่วนใหญ่เราจะเอาใจเราไปทำงาน เรื่องอื่นเสีสยส่วนใหญเรื่องธรรมหากินเรื่องของคนนเรื่องของคนนี้เรื่องของการหาทางศึกษาต่างหูามูกเรื่องการจนเวลาที่จะมาสอนาการเกี่ยวกับเรื่องความจริงของการก็เลยพอได้ข่าวว่าคนนั้นเจ็บคนนั้นตายก็ตื่นเต้นกันขึ้นมายังกว่าเป็นเหตุการณ์ผิดปกติเหมนกับมนุษย์ต่างดาวปรากฏขึ้นมา ทั้งที่มันแก่มันเจ็บมันตายกันทุกคนนี่อยู่ตลอดเวลาทุกคนอะทุกเวลาถ้าไม่เชื่อลองไปที่วัดดูวัดที่มีเมเไยโรงพยาบาลดูนี่คนแก่นี่คนเจ็บมีคนตายอยู่ตลอดเวลานันเห็นจะน่าปินเพี้นตรงไหนเลยท้ออะไรท้อเราไม่ศึกษาเราไม่สอนใจของเหล่านั้เองความจริงอันนี้มันก็เลยกลายเป็นของแประหลาดไป เป็นเหมือนกับว่ามันเป็นมนุษย์สามดาพอใครตายทุกคนอย่างนี้โอ้โหเต้นเต้ก น, ก น, นกันใอญ่ที่ภาคุจยางกันให่วานวิตกกันยหแต่พอสักพักก็ลืมไปละแค่นั้ไม่กี่นาทีพอคุยเ ร, ออคเรื่องอื่นคิดเรื่องอื่นปั๊บหายไปเลยแล้วพอพอมีเรื่องให้คิดอึกก็ตกใจเลยมองคิดดูทุกวันดูเสร็จทุกเวลาดู เจ็วันนี้รัรองได้ว่ามันจะต้องเห็นอะไรสักอย่างหนึงมันจะต้องรู้กันว่าจะกลั ว, ล ว, ลวลหรือไม่กลัวจะแพ้หรือไม่แพ้จะใครจะแพ้ใครจะชนะนี้รับรองได้ลองพิจารณาความตายดูสักเจ็ดวันถ้าแต่ปเป็นมาจะพิจารณาเิ็กน้อถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงามาบอกให้ฟังรับรองได้ต้องมีอะไรเปลี่ยนกัลแน่ น, นอนพราะเป็นการเจริญมะ ถ้าจเจริญอย่างนี้เจ็ดวันเจ็ดคืนรับรองได้มันจะต้องได้ผลได้ผลหนึ่งขึ้นมาอย่างนีนอยอย่างที่พระอัญมา์กรทะยะได้แต่งวาจาไว้เป็นงานที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมในการดับไปเป็นธรรมดาจะเราองอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วเมื่อก่อนมันเกิดภายนอกมันไม่ได้เกิดในใจเราใจเรามันห่างเหินจากความจริงอนี้นตอนนี้เราเอามาันเข้ามาสู่ในใจเรา มันมาประกบกับความคิดของใจเราแล้วนะมันจะไมไ่กล้าเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาไม่รู้จะอยากเอาอยากไปทํามาอยากแล้วมันก็ไม่ได้เอาไปอยากแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามความอยากอยากไม่เจลียดอยากไม่เยกยด อ, อยากไม่ตายมันก็ไม่ดเป็นไปตามความอยากมันมีแต่จะสร้างทวามทุกข์ให้กับตนเองโดยกล่าวไปเยอะนี่แหละคือเรื่องของอรยาศาศาศิยสัจสี มันเป็นสองฝ่ายฝ่ายผูกกับฝ่ายแก้ฝ่ายผูกก็คือสมุทัยสมุทัย ม, ม, มันจะผูกแล้วสร้างความ ท, ทุกข์ขึ้นมาใน ใ, นใจด้วยความอยากต่างๆฝ่ายแก้ก็คือพระที่เป็นมาสอนใจให้ยอมรับความจริงจะได้ไม่ตัง้งใจอยากกับอะไรเมื่อไม่อยากกับอะไรมันก็ไม่มีความทุกข์ใจเราจะทําต่ข้อแรกเป็นฝ่ายผูก คือทุกข์กับสมิไทยสองข้อหลังคือมากกับนโเป็นฝ่ายแก่เป็นเหมือนกับการต่อชื้อการชักกระเยะของสองฝ่ายฝ่ายเหลืองกับฝ่ายแดงแล้วนะแต่ว่าฝ่ายไหนจะมีกําลังมากกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งมีกําลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็ชนะถ้าถ้าสมิไทยมีกําลังมากกว่าทุกข์ก็เกิดขึ้นนะ แดงแจข <IL> ึ้นมาทันทีถ้าฝ่ายมรกมีตําแหน่งมากกว่านีโรคก็ปรากบขึ้นมาทุกข์ก็หนักไปฝ่ายเขียงกันมาไม่ใช่ฝ่ายเหลือมาะฝ่ายเขียวพูดเือให้รู้ว่าไม่ได้ขัดฝ่าย มันสังเกตดูลองดูที่ใจเรามันมันมันทำงานอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามันจะทํางานฝ่าไยไหนที่ทำงานทำถ้าอย่างแล้วเนี่ยเป็นฝ่ายฝ่ายทุกทํา ง, งานขึ้นมาจรองจริถ้าฝา่ถ้าตรงก็เป็นฝ่ายที่ฝ่ายมรคทํางานทำถึงเพราะฉะนั้นเวลาใครเป็นอะไราก็ก็รู้ว่ามันเป็น อ้ามีอะไรทําได้ก็ทำไปมีอะช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปถ้าช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปล่อยให้มันเตินไปตามความจริงจะไปตีโพยตีพายไปร้องหมร้องห้มงหามันก็ไม่ได้ไปทําอะไรให้ดีขึ้นมีแต่จะทําให้ใจเราเศร้าหมองไปเลยต่างไปเลยนี่คืองานตรางนั้นนะ ขอให้เราพออยายามทำกันพออยายามทุกจริตอยู่เรื่อย mm hmm. ลองทำดูถ้าเกิดมันไม่ได้เลยที่จะหน้าความตายตั้งแต่ตื่นถึงหลับเนยลองทำดูใครมีความสามารถที่จะทำได้ลองทำดู ตอนวันนี้ก็รู้สึกว่าได้ผลอยู่คนหนึ่งมีคนที่เข้ามาสังเทศฟังธรรมจนทังเดือนนี้ต้องบทชีแล mm hmm. อีกคนมาปีกว่าๆนะมาพระครั้งแรกก็บอกไม่เคยเข้าวัดนี่เลยมามาวัดก็มาปล่อยตาอย่างเดียวป่อตามามีคนนี้นะี่บอกให้มาฟังเทศดูว่างก็เลยมาฟังเทศอาทิตย์ละคร หลังจากนั้นก็เป็นสาวาัติหลังจากนั้นก็เป็นสาวาัติกลางวันพระหลังจากนั้นก็มีทั้งก่อนมันพระหลังวันแล้วตอนนั้นเราก็เริ่มจัดไปเรืเ่อยๆมีสมบัติเจ้าของเงนทางอะไรที่ไม่จําเป็นไป อ, อย า, ากจะยกให้ประ่ยนไปในเวที่สุดก็ไม่รู้อ่าจะอยู่เป็นทไาไยกันดนบัวชี คงศีกษาแต่ก็ไม่ได้อยู่วัดเขอยู่ในบ้านที่อยู่ในในส่วนที่มันเป็นเหมือนกับบ้านจาาัดสรรแต่คนบ้านจัดสรรที่เขาขายที่ให้สุกบ้านเองย่างนั้นก็สงบพอสมควรด้วยคำว่าเหมาะกว่าการมาอยู่วัดเพราะ ว, ว่านี่มันเพื่อคนเยอะอยู่แล้วก็ไม่สงกเหมือนกัน พอไดถ้าในเรื่องต้นคือว่าการปฏิบัตินี้ขอให้มีที่สงบพอสมควรจะเป็ น, นวัดหรือเป็นบ้านก็ได้ถ้าเป็นวัดแต่มันไม่สงบมีคนทุกข์านมีคนอยู่เยอะอยนี่มันสรุบ้านที่ไม่มีคนอยู่ไม่ได้อยู่คนเดียวนะอยู่บ้านกันงครับปฏิบัติได้ทำกันบ้านไปก่อนเมื่อพร้อมที่จะเข้าห้องสอบแล้วเข้าไปหาห้องสอบทํำดู ยังในว่าเป็นอยู่ที่เปลี่ยนที่ง่ากลัวดูถ้าพร้อมที่จะเข้าห้องศักดแต่เบื้องต้นต้องทําการบ้านให้พร้อมก่อนการพิจารณาเกิดแก่เจ็บตายนี้จะเป็นเหมือนการทําการบ้านเมื่อทําจนถึงที่สุดแล้วเราที่ว่าพร้อมนะพร้อมที่จะตายแล้วก็อยากจะรู้ว่าจริงหรือไม่หรือว่าเราปลงได้หรือไม่ก็ไปหาที่น่ากลัวน่ากลัวอยู่ เราดูใช่ว่ามันมังจะกัวอยู่หรือเปล่าถ้ามันตรงได้เรามไม่กัวถ้ามันตามได้เรามไม่กลัวถ้ามันยังกลัวก็แสดงว่ายัางยังทำไม่เสร็จยังไม่ผ่านก็ต้องกลับมาทําการบ้านใหม่หรือต้องอยู่ในห้องสอบนั้นไปไเรื่อยๆจนกว่ามันจะผ่านแต่ในเรื่องตอนนี้อยู่ที่บ้านกัปบปฏิบัติได้ เราก็อยู่ที่บ้านปฏิบัติอยู่เต็มขอให้มันเข้มข้นไว้เท่านั้นแหละของการปฏิบัติมันเข้มข้นตั้งแต่เติมที่เราจะทั้งหลับอยูขอให้มีแต่งานคือการเจริญนักเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาไปตลอดเวลาที่เราตื่นขึ้นมาทบลองได้ว่ามันจะต้องกล้าวหน้ามันจะต้องไปมากช้าหรือเร็วนี้ก็ขึ้นอยู่กับ เปนสที่มีอยู่ในตัวเราคือสติสมาธิปัญญาวิริยะถ้ามีมากก็ไปเร็วาษาปัญญาก็ต้องหาปัญญาจากผู้อื่นไปหาผู้รู้ไปศึกษาจากผู้รู้จากตุบาอาจารย์ที่ท่านผ่านไปแล้วทาง ท, างที่ทางธรรมของท่านอยู่เรื่อยๆน่าจะทำให้ ลน้ากแต่ได้เพราะปัญญานี่เป็นตัวสำคัญที่สุดในในอินทรีย์ทั้งห้าเพราะจะดูดพ้นได้ด้วยปัญญาสมาธิสนับสนุนให้เกิดปัญญาสติสนับสนุนให้เกิดสมาธิสีสนับสนุนให้เกิดสมาธิสติต้องมีอยู่ทั้งทั้งในขณะที่รักษาสีก็ต้องมีสติถึงจะรู้ว่ารักษาอยู่หรือไม่ สตินี่จําเป็นอยู่ในในในทำทุกขั้นต้องมีสติเกี่ยวข้องอยู่ทุกขั้นแล้วว่าจะขั้นทานขั้นศีลขั้นสมาธิหรือขั้นปัญญาสตินี่เป็นตัวที่ต้องไปตลอดควบคู่ไปกับธรรมอย่างอืน่นแต่ปัญญานี่เป็นตัวที่จะตัดกิเลสมากถ้ามีศีลนีสมาธิก็เป็นเหมือนพระปัญจาวาคี ตอนที่ยังไม่มีทหบุทธเจ้าตัดสรู้ขึ้นมาเก็ไปไปไม่ไปไม่ได้ไปไม่ไกลกว่าที่ได้ก็คือสมาธิได้ชันพพตแต่พอทหบุทธเจ้าตัดสรู้แล้วมาสั่งสอนเพียงครั้งเดียวปัญญาก็ปรากฏขึ้นมาทําให้หลุดพ้นได้ทําขั้นยากขึ้นมาอย่างรวดเลยดังนั้นต้องมีผู้สอนมี้ครูบาอาจารย์ ถ้าไม่มีครูอาจารย์ที่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยหนังสือของท่านหรืออาศัยหนังสือที่พระพุทธเจ้าได้ท่งจับสอไว้มาเป็นอาจารย์ไปก่อนก็ได้เพราะว่าโดยลําพังนะเราเองตัวเราเองไม่มีทางที่จะมีปัญญาในระดับที่จะสามารถสองตัวเราเองให้บรรลุได้เรามันเป็นเพื่อระดับสาวกไม่ใช่ระดับพุทธภูมิ เราสาวกภูมเราต้องมีครูในอาจารย์ะฉะนั้นเดี๋ยวจะหลงทางได้จะเป็นวิปัสสนูได้แนวทางนี้มันมันค่อนข้างที่จะลึกลับสลับซับซ้อนมันจะเปิดได้ทุกขั้นระดับของการปฏิบัติ อยู่ในขั้นไหนมากจะติดอยู่ในขั้นนั้นถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยชีบ้บอกว่ากําลังติดนะก็จะลอยติดอยู่อยนั้นไปนานแต่ถ้ามีครูอาจารย์ครับจะรู้เลยว่าขั้นแต่ละขั้นนี้มีไว้เพื่อให้ก้าวขึ้นไปสูขนน่ขั้นนี้พอได้ขั้นนี้แล้วก็ต้องขยับขึ้นไปเช่นพอทารินทําทานหมดแล้วก็ขยับขึ้นสูขนส่ขั้นเสียงพอรักษาเสียงได้อย่าง บ่อยสุดแล้วก็ต้องเข้าสื่ อ, อการเจริญสมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ต้องออกสือ่อการเจินปัญญาพิจารณาปัญญามันจะไม่ติดอยู่กับขั้นนั้นขั้นนี้ถ้าไม่มีครูบาจารย์ถ้าอยู่ในข่นานทางก็อยากจะทําทานเงินลูกเดียวไม่อยากจะรักษาศีลไม่อยากจะกาภาวนาเห็นไหมดูคนที่ทำทาเนี้มันจะติดอยู่กับการทำอย่างการทำโม่แต่หาเงินหาทองมาทําทานกันมันก็วนอยู่ในอ่าน ทา น, นี้มีเพื่อกลดเรื่องการยึดติดกับเงินทองเข้าของที่มันเหนือนกินเหนือยจ้างเพื่อให้เราได้รักษาสินได้ง่ายคนที่ให้ทาง น, นี้รักษาศินได้ง่ายกับคนทีไ่ไับให้ทางเมื่อคนที่ไให้ทาง น, นี้มีความตเหนียมีความโลภอยากจะได้มากขึ้นอยากจะมีมากขึ้นก็จ ะ, สะแสวงหาผู้ช่วยชีทางเพื่อให้ได้มากขึ้นถ้าต้องผิดสินก็เอาขอให้ได้ไว้ก่อน แต่คนที่ให้ทานอยู่เรื่อยๆแล้วจะไม่ถิวจะไม่โดภกับหลักชาตของเงินทองอยากจะให้เงนมีน้อยลงไปเรื่อยๆ อ, อยากจะมีเหลือไว้เท่าที่จําเป็นเท่านั้นมันก็รักษาสีไม่ง่ยมีความเมตตาคิดถึงผู้อื่นเพื่อเพือเปิดแผ่ดูแลผู้อื่ น, มนไม่ว่าจะทําอะไรก็จะคํำนึงถึงความเดือดร้อนของผู้อื่นก่อนเสมอก็จะรักษาสีจะมีสีขึ้นมาดโดยอัตโนมัติเลย เป็นเป็นผลต่อเนื่องจากการให้ทานนี้เมื่อมีสีแล้วผลตอเนื่องก็คือจิตที่มีสีนี้มันจะสงบกว่าจิตที่ไม่มีสีจิตที่มีสีนี้มันจะไม่กังวลไม่ไไมไม่มม่เดือดรอกับการกระทที่มันเสียหายเพราะไม่ได้ทําจิตที่นี้ไม่มีสีนี้มั่อกระทำอะไรที่ทําให้ใจิตใจต้องมีความกงังวลกวังวลกระสับกระส่ายเป็นเหมือนวัวกำนังหวา ก็จะทําให้ จ, จิตใจไม่สนบกก็จะไม่เห็นคุณค่าของความสงบคนที่มีสีล้วเห็นก็จิตนี้เราสบายนะมีความสงบนะ mm hmm. ก็อยากจะให้มันสงบมากขึ้น mm hmm. ก็อยากจะเท่าสื่อาทจทําจิตให้เป็นสมาธิ mm hmm. เพราะรู้ว่าเวลาทําสมาธิแล้วมันยิ่งสงบมันยิ่งมีความสงบมากขึ้นแต่พอมันก็รู้เองว่าพออยากสมาธิแล้วมันก็ มันก็กระสับกษะสายได้วุ่นวายได้เวลามันจะเห็นมันไปสัมผัสได้ได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้มันก็รู้ว่าสมาธิก็อย่างไม่พอมันต้องมีอีกตัวหนึ่ก็คือปัญญาเพราะปัญญานี่สามารถที่จะมาประกบกับใจเวลาที่ได้ยินได้ฟังอะไรจะประกบอยู่กับใจให้ไ ม, ใหไม่ให้กระสับกระสายไม่ให้กังวลกังวลไม่ให้ดีใจเสียใจได้ พราะจะให้เห็นว่าให้รู้ว่าสิ่งต่างๆนั้น mm. เขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นะ mm. เราอยากไปอยากหรืออยางแล้ว mm. เราจะนั่นกระสับกระสัเราอยากไปหน้ตไวเสียอะไรกับเขาแนละ้ว mm. เราจะไม่มีความทุกข์กับเขาเนี่นี่คือปัญญาถ้ามีปัญญาประกอบอย่างนี้ตลอดเวลานล้ว mm. ต่อไปมันก็จะสงบอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิกะนะันล้ แล้วมันจะสงบอย่างถาวพอมันเข้าใจแล้วต่อไปมันก็จะถอนเข้ามาข้างใ น, นมันจะปล่อยวางข้างนอกเน่ะปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเป็นไปตามเรื่องของเขาไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นใคกรก็ตามเขาก็ต้องเป็นไปตามยืนตามกคำของเขาเราไปทำํำอะไรให้เขาไม่ได้หรอกส่สิ่งที่เราทําได้ก็เพียงเล็กเล็กน้อยนย เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เขาได้ไปแก้ปัญหาของเขาเองเท่านั้นเองปัญหาของเขาเงินกรรมของเขาเไม่ไม่มีใครไปแก้แนละ้วนอกจากตัวเขาเองด้วยการละกรรมชั่วละทำกรรมดีไว้ต่อไปก็จะมีแต่ผลของกรรมดีปรากฏเขาก็จะลุพ้นของเขาไปเอง ปัญญาจริงๆเรื่องสําคัญว่า้าะอริยสัจสิ่งนั้นคือเห็นเห็นเห็นรับปัญญาเป็นตัวทําให้ปัญญาของจันโลกเขียดแหลมคมจนสามารถตัดภพตัดชาติตัดเรืตัดความอยากให้หมดไปจากกิตจักรได้นอย่างอื่นตัดไม่ได้ปัญญาที่ตัดไม่ได้สีตัดไม่ได้ทางตัดไม่ได้สติตัดไม่ได้ ต้องปัญญาปัญญาในอริยสัจอยู่ปัญญาในใจนะมีเท่านั้นเป็นของพระพุทธเจ้าไม่มีใครรู้ปัญญานี้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้เดีถ้าเรามาเกิดในทบในยุคที่ไม่มีศาสนาพุทธแาเราก็ไม่มีทางเลยที่จะที่จะหลุดพนได้ยกเว้นว่าเราเป็นคนที่ัได้มือนถึงบุญบางมา ม, มากจนสามารถ สอนตัวเราเองได้อย่างเช่นพระพุธธทธเจ้าได้ส่งสอนพระองค์เองได้เท่านั้นแหละซึ่งมันเป็นหนึ่งในไม่รู้จักแสลานคนที่จะเป็นอย่างนี้ได้เราเราเป็นเห น, นือนพวกคนธรรมดาสามัญต้องอาศัยคนฉลาดเป็นกัวบุจากพระพุทธเจ้าเท่านั้นมาเป็นครูเป็นอาจารย์ ถ้าพุนี้ถ้านี้เราได้มาเจอคำสอนของเอ ก, กบ mm ุรุษและเราไม่ตัดทว mm hmm. ัวก็เชื่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะได้มาเจออย่างนี้อีกเมืย่ยากยากมากนะปัญห mm hmm. านี้คำสอนนี้ก็จะมีอายุไม่เกินห้า0ันสี่อย่างที่สงได้ทำนายเอาไว้หล mm ัง hmm. จากนั้นนะก็จะเป็นช่วงยุคที่ห่างจากคำสอนเพ mm hmm. ี่งเรียกว่า อะไรกลับเนะี่ยกลับที่ว่างเว้นจากพุทธังดอนก็ไม่รู้กี่กลับเราจะต้องกลับมาเกิดกลับมาตาเพื่อรู้อีกทักกี่ล้านชาติกี่ล้านพวกกว่าจะได้มาสัมผัสกับคำสอนของพระพุทธเจ้าอิกพรพองค์ อาจจะไม่ได้พบกับขององค์หน้าก็ได้เช่นที่เรากําลังคิดถึงกันคือพระีอาร์นอาจจะเป็นช่วงที่ท่านมาเกิดแล้วเรายังไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้แล้พอคำสอนของท่านหายไปแล้วเราอ็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่เจอพระศีอานพระศีอานก็จะเป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าในอนดีตที่เราได้ยินได้ฟังมาจากาพระพุทธเจ้าในปัจจุบันว่าก่อนหน้านี้มีสามพระองค์ มาตัดทะลุมาสั่งสอนตัดโลกและหลังจากนี้ก็จะมาอีกมีพระองค์หนึ่อองชื่อนี้ชื่อนี้มาเราอาจจะพลาดทั้งหมดเลยอย่างโชคดีเราได้เจอองค์นี้ปัจจุบันแล้วถ้าเราไม่เอาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะมันไม่ยากนะแ 7, 000, 7, 000ค่เจ็ดวันเจ็ดคืนแค่นี้เราทนนั่งเราเป็นหลายชั่วโมงไปรอบโลกได้ ้เราแค่นั่งคิดนาความตายเปิดวันเปิดคืนไม่ได้ให้มันรู้ใจนะนี่คือการบ้านแล้วข่าวหน้ามาแล้วาเล่าให้ฟังว่าหน่อย า, า, าุคคลยังทำไม้เสร็จ <c oughs> มันเวลามันผ่านไปเร็วนั้นปีใหม่ก็หมดก็ไปเกือบเดือนนั้นชีวิตก็น้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตเรนก็เป็นเหมือนเพียงพอเสื่นมแล้นก็มีแต่จะตั้นลงตั้นลงเรื่อยๆอายุยาวขึ้นแต่แชีวิตมันสั้นลงคือตัวเลขมันยาวไปเรื่อยๆอ้อนี่สี่สิบนะาห้าสิบนะามันยาวแต่ชีวิตมันสั้นลง ส่วนที่เหลืออยู่ยมันจะตั้งลงน้อยลงไปเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะได้บำเพ็ญเวลาที่จะได้เจริญรักเรี่ยมันก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆอยากไปผัดวานประกันพรุ่งควรรีบรีบผันเข้ามาทางในเสียมีภารกิจการงานที่เราปลดเพื่อได้จัดได้ครับปลดไปปดเพื่อลงไปเถอือนตัดลงไปเถอือน เข้ามาทำงานอันนี้ดีกว่างานอันนี้เป็นงานที่แท้จริงของเรางานอย่างอื่นทาไปก็เท่านล้นีหยงานหลักของเขาก็คือเขาเรียกคันธุระกับวปัสนาธุระนี่คืองานในศาสนามีสองงานธุระมีสองธุระคันธุก็คือการศึกษาการทำคำสอนฟางเทศฟังธรรมอยู่เรื่อย แล้วก็อนามาปฏิบัติพิจารณาเกิดแก่เจตตายอยเรื่ อ, อ, อ, อยๆทำบุญให้ทานทําให้หมดเท่าที่เราไม่มีความจําเป็นก็อยา่าไปห่งอย่าไปเ ก, กลียดเอาไว้ศีลกรักษาให้ดีสมาธิก็ทําให้มากปัญญากร็ราะพิจารณาสลับกับสมาธิถ้าอยู่ในสมาธิก็อยากไปพิจารณาพักจิตให้จิตมีความสงบให้งานที่สุดให้มึนให้งานที่สุด เราจิตออกมาจากทางสนบออกําจากความนุ่มแล้วก็เอามาพิจารณาความตายเกิดแก่เจ็บตายยุคนมาเดินดวงคงเท่าไปก่อนจ้ได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาล่วงไนั่นการเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้เราก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเขาก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคนนั้นก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคนนี้ก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายคิดไปอย่างนี้โดยละียให้มันติดไปกับใจของเราพอเหนื่องพร้อเมื่อยก็ดิ้นเข้ามานั่งสนานถหน ทำจิตให้สงบให้เย็นให้สบายพอมีกำลังพอรอนนั้นมีกำลังก็ออกมาพิจารณาต่อไม่ว่าจะทำอะไรในขณะที่ไม่อยู่ในสมาธินี้ต้องให้มีการเกิดแก่เกิดตายอยู่ในใจเราตลอดเวลาเห็นอะไรการที้ก็ต้องแก่ต้องเกิดต้องตายคนนี้ก็ต้องแก่ต้องเิดต้องตายพิจารณาไปเรื่อยๆต่อไปมันจะติกับนิม่ใส่แล้วมันก็ไม่ต้องไปบังคับมัน เรื้องต้นกบเหมือนกับว่าเหมือนกับรถที่มันสตาร์ไม่ติดต้องเข็นเหมือนกันเข็นแล้วมันวิ่งพอวิ่งนะใส่เกียงมันก็เครื่องติดพอเครื่องมันติดแล้วทีนี้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเข็นมันละมันจะไปทำมันเองปัญญามันจะหมุนไปจนกลายเป็นปัญญาอัตโนมัติเรียกมหาสติมหาปัญญามันจะคิดของมันอยู่ทางเรื่องรา่นี้อยู่ตลอดเวลาไม่คิดเรื่องอื่น เรื่องอื่ก็คิดไปเท่าที่จําเป็นบรร่าแล้วถ้าเข้าสู่งานอย่างนี้แล้วมันจะป่วยงานอย่าอื่นต่เนี่องานที่จําเป็นก็เพลงแต่งานที่ในี้ยเว้นงทองนั่นเองเป็นพระอย่างนี้ก็แค่ไปยินทบาททางนั้นเองแล้วก็ฉันฉันเสร็จแล้วก็เข้าทางจงกรมเนินเดินเดินพิจารณาเดินจงกรมพิจารณาแล้วก็นั่งสมาธิตะละประการ ทกิจวัตรอย่างอื่นปัดกวาดตอนบ่ายส่งงานตอนเย็นแล้วแต่เดินจกลมนั่งสมาธิตลอดตอนจนถึงเช้าก็ออกมินทบะยังใจก็มีแต่เกิดแก่สิ้นการอย่แต่จะเลี้ยงพิจนาวใจนี้แล้วความหลงมันจะมาหลอกเขาได้ยังไงความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจื่ไม่ตายมันจะมามันจะไม่มีที่ให้มันคิดมันจะไม่มีทางออกมาได้ มันอยู่ที่มันอยู่ที่การทํางานนี้เท่านั้นเองส่วนใหญ่เราไม่ค่อยเอามันมาทํางานในทางนี้กันเราถูกความหลงดึงให้เราไปทำอย่างอื่นแทนไปห่วงคนนั้นห่วงคนนีหนนน้ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้แล้วก็ไปแก้ปัญหาก็ไม่ได้เลยเขาก็แก่ไปเจ็บไปตายไปอยู่ดี เราก็แจกไปเจ็บการตายไปอยู่ดีแล้วก็ทุกไปกับการแก่การเจ็บการตายถ้าเราทํางานอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ทุกข์แต่เจ็บตายก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังมีเหมือนเดิมแต่ความทุกข์ไม่มีในใจเราแค่นั้นเองนี่คือประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเกิดจากการทําธุระสองส่วนนี้คือคันตัดธุระทำนิพพานานธุระ ที่เราต้องศึกษาต้องฟังอยู่เรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังอยู่เรื่อยๆนะเราจะลืมนนเพราะในเบื้องต้นนี้เราฟังตั้พอเราออกจากที่นี่ไปปั๊บเราก็ไปคิดเรื่องอื่นกันละไปทำเรื่องอื่นกันเรื่องที่เราไม่มได้ฟังก็จางหายไปลืมไปหมดเลยว่าวันนี้ได้รับการบ้านเราแต่บ้างไม่ได้รับ ไ, ไม่ได้อาไปทาง แต่ถ้าฟังอยู่เรื่อยๆมันก็จะมีอะไรคอยเตือนสติเตือนใจเยอะเลยว่านี่คือการบ้านที่เราต้องทําแำพอมีอะไรเปตือนใจเยอะๆเราก็จะได้ทําถ้าเรายังไม่ทําแล้วว่างฐานตัวเราว่ามีเะไรเป็นอุปสรรคมีอะไรที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ก็แก้ไขไปอะไรเป็นอุปสรรคที่เราสามารถปลดเปลื้องได้แล้วว่ควรจะปลดเปลื้องหรือไม่ เขไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับงานงานทาง้าติปิดใจงานอย่างอื่นนี่ไม่สําคัญอะไงานอย่างอื่นมีเพียงสนับสนุนงานนี้เท่านั้นเองถ้างานอย่างอื่นไม่สนับสนุนงานนี้ก็อยากไปทำอยู่งานที่มันสนับสนุนก็ไม่มีอะไรก็เพียงแา่การเลี้ยงปากเลี้ยท้องนี้ให้รางกานี้ไม่เจ็บไายได้ส่วนมีกําลังวังชาที่จะเดินจนคง น, นั่งสมาธิเท่านั้นเอง ที่เป็นงานที่เป็นงานที่สําคัญต่อการปฏิบัติงานอย่างอื่นไม่สําคัญทําไปก็เท่านั้นมันไม่ได้ส่งเสริมการปฏิบัติทางงานทางด้านคันธาธุระคาวิปัสนาธุระมันก็จะไ ม, ม่ีถ้าไม่มีคันธาธุระม่ปัสนาธุระมันก็จะไม่มีการพ้นมันจะไม่มีวุฒิวิญญาติดำพ้นเกิดขึ้นมาผลวิพานก็จะเป็นเพียงแต่ชื่อทนั้นเอง rica. เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเห็นในในจอโทอรทัศน์เขาโฆษณาสินค้าต่างๆมีลดแบนราคาร้อยล้านมีบ้านราคาพันล้านแต่มันก็เป็นเพียงสิ่งที่เราได้เห็นได้ยินแต่เราจะไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของเพราะเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อสิ่งที่เขาขายนั่นเองถ้าเราไม่มีคำธรรมะวิปัสส น, นาธรรมะเราก็เหมือนกัไม่มีเงินที่จะไปซือ้อมรกหลักฐาน ถ้าอย่างได้มรรคผมนิพพานาาก็ต้องมีคั้นตอนพานยุติธรรมพื้นฐานลองเล่นทางทางจะหลับการปฏิบัติทางไงละลองก็ได้คุบาจ์ก็มีคุบาวิธีต่างต่างกันไปแล้วแต่องไหนที่ถูกกะดิดกำลัาที่เราเอามาใช้ให้แตกตื่นได้ก็แล้วก็ฟังใ น, นตอ น, ตนหลักก็ได้ ปัญญาอบรมสมาธิกับสมาธิอบรมปัญญาที่สามารถขับใจกลับไปมาก็ได้ในในในคนคนเดียวคือขั้นตอนของการทำสมาธินี่มันทำได้สองละสองวิธีวิธีหนึ่งก็คือการกล่อมใจด้วยการบริกรรมด้วยการกรรําหนดให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้ใจลอยไ ป, ไปสู่อารมณ์อย่างอื่น ให้อยู่กับเรื่องนี้เรียองนีให้อยู่กับลมหายใจเขาออกก็เป็นอน า, นาตนสติให้อยู่กับการเวกามพุโทโธพุธโทโธก็เรียกว่าเป็นเป็ น, ปนทุกตานิสติกก็จะทำให้จิตเข้าสู่สมาธิรวมลงเป็นหนึ่งได้เป็นเอกตาลงดีวิธีที่จะสร้างสมาธิขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งก็คือการใช้ปัญญาข่มใจคือเราอาจจะไม่ใช่ ผลิตที่ถูกกับการบริกรรมหรือกับการดูลงหายใจแต่เราถูกกับการพิจารณาความแก่ความเจบความตายแล้วก็พิจารณาความแก่ความเจ็บควาตายตรเนี้จนทำให้จิบมันรวมลอยไปสู่ทางขนมทุกปกติเวลานั่งสมาธิจะใช้สมุดรองหายใจสะะิคะถ้าถ้ามันยิ่งดีก็จะสงบไปเลยแต่ถ้าบางวานานางันเนีจิตมันฟุ้งมากมก็จะดึงเอาศพคุณแม่มาดูบ้างสมุดใครๆมาดูบ้างแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ ใจนหนึ่งสลอดลงมาแล้วมันก็จะกลับม า, าดิาคืออันนี้เรียกว่าปัญญาอวิโมยสมาคือในคนคนเดียวกันสามารถที่ก้เได้ได้ได้อย่างไรก็ได้เป็นสองวิธีใหญ่ๆปัญญาอวิโมยสมาธิก็คือการพิจารณาสัจอริยสัจสี่สัพอริยสักข้อแรกพิจารณาเกิดแก่ส้นพิจารณาสุภาอสุภา หรือแม้แต่ทั้งพิจารณาเวทนาในขณะที่เกิดความเจ็บปวดในขณะที่งั่นก็ได้พิจารณาจนปล่อยวางไม่พาณาได้จิต ก, ก็รวมลงเข้าสู่ความสงบได้ไม่ไปไม่ไปมีปฏิกิริยาตอบโต้กับเวทนาที่กําลังเกิดขึ้นหรือไม่อยากให้มันหายหรือไม่ตระโกรมันปล่อยให้มันเป็นตามเรื่องของมันจิตก็รวมลงเข้าสู่ความสงบได้บางที ท่านบอกเราเหาใจก็เอานี้อยู่นะหลักจิ<ช>ตวก็เลยดึงดึงอสองนัดูดึ ง, <ช>งแล้ว<น>มันก็นิ่งนี่เป็นการทําสมาธิแต่พอได้สมาธิแล้วนี้มันต้องมีงานหลักที่เราต้องแก้ให้ได้ก็คืออุปทานความยึดติดในขาห้ายึดติดในร่างกายคือตอนที่เราทําบรร ญ, ญาวนามสมาธิมันเป็นเพีย ง, งานเฉพาะกิจงานที่ที่ที่มีปัญหาอยู่ในขณะนั้นแล้วก็ทํา ซึ่งบางทมมีมันก็มันก็เหมือนก็เป็นเป็นผลพอยได้จากการมั น, นคือเราจะได้ปัญญาเราจะไดะ้เราจะได้งานในที่เราต้องทําด้วยในลำดับต่อไปก็คือเราได้รับอุปทานในร่างกายก็ดีหรือในเวทนาได้กด็ดีก็ทำใหงานของเรามีน้อยลงไปสำหรับพวกที่ใช้ปัญญาลงมาที่เพราะกินนกเพียงเดียวได้สองตัว ก็สูงหนึ่งเดียวได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาออคือปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางวิถีทางได้แต่นอกจากนั้นแล้วมันยังมีมีกิเลสที่ละเอียดอันนั้นที่มันต้องใช้ปัญญาเข้าไปขุดคุยนะดวงตาท่านเทอะตอนต้นมันจะกิเลสมันจะออกมาเพ่งพลาดพวกนี้จับไม่ง่ายแต่พอพวกที่มันออกมาเพ่นข้าดมันหมดไปได้วพวกที่มันซ่อนอยู่ จะต้องคอยกดคุยเหมือนไก่ที่มันจะต้องคอยกุดคุยหาตัวสายเดือนตัวหนอนที่มันซ่อนอยู่ใกล้เดือนไอตัวนี้มันก็ยังมีอยู่ยังมีอยู่อันนี้ต้องต้องต้องวิเคราะห์อยู่เวลาจ่ายมีความรู้สึกอะไรที่เป็นความเศร้หาหมองเป็นความทึ่เนี่ยมันแสดงว่ามันมีปัญหากับอะไรแล้วนี้ก็ต้องวิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรที่จรอยู่เป็นวันเลยนะคะ ก, ก็ดูมาใช้ด้วยก็ ก็ดูตอนนั้นก็ต้องดูใจตละดูใจแล้วดูดูว่าใจเป็นกลางเป็นอุบเบกขาหรือว่าใจชุบเนื้อใจดูใจเสียใจกับอะไรนี่มันจะจะต้องจะต้องทําจัดความดีใจเสียใจให้มันเป็นอุบเบกขาให้มัน พเราพอเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นแบบนี้เราก็จะบอกว่าอ้าวที่เราเริ่มไม่อยากแล้วก็มาคอยตือนเองใช่ไหมจ๊ะแบบก็ให้ใจเป็นผู้ดูแตมันก็เกิดมันไปตามธรรมชาติเดี๋ยวมันก็ดับมันเองก็คือพยามเหมาะตัวเองแบบนี้เพราะตอนนั้นมันจะดูจิตเป็นหลักดูจิตที่มีการเปลี่ยนแปลงมีเศร้าหมองบ้างมีสดชื่นแบบมานบ้างมี บบ้างเนมีคลุ้งซางบ้างแต่เป็นความคลุ้งซางลึกๆในจิตมันม่ช่เป็นความคลุ้งซ่างแบบที่เป็นนาววอันเป็นความคลุ้งซางแบบแบบยาความความคุ้งซางจิตลึกๆยังมีอยู่เงมือเป็นความคุ้ร้างที่ละเอียดต้องระดับต้องถ่านร่างกายแต่วามันถึงมันถึงจะเห็นความคุ้งซ่านในระดับน้ความทุกข์ในิตในระดับนั้นมัน มันก็เกิดจากทางด้านล่างบนเนี่ยก็คือรราคาอุปราคะอวุปราคะความติดอยู่ในความสงบของฌานขั้นรูปฌานหรือของขั้นอรูปฌานติดในสมาธิติดนะมรับประมาณนี้พอมันรูพอมันไม่ดึรูปฌานไม่เอาอุปฌานในจิตมันก็จะเกิดความเศร้าหมองขึ้นเพราะมันติด ในความเป็นโลมันก็ต้องทัความเข้าใจว่ารูปชาญะรูปชาญะมันก็ไม่เที่ยงอยู่ในจิตมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันมันก็มีเกิดมีดับเวลามันมีก็รู้ว่งมันมีเวลามันไม่มีก็ร่ว่ไม่มีแต่อย่าไปดีใจเสียใจเวลามันมาหรือเวลามันไปมันเป็นสัมโนนเรื่องบนมีอยู่ห้าตัวด้วยกัน อุปราคาอารมณ์ปราคารากมานะการถือตนถือตัวถือว่าเราเท่าเท้าสูกาางกว่าเท้าหรืต่ํากว่าเท้าเมื่อมันมีความถือตัวแล้วมันก็จะต้องมีความอยากให้ผู้นั้นผู้นี้แสดงปฏิกิริยากับเราตามความเหมาะสมของฐานะของเขาถ้าสเขาไม่แสดงเราก็จะเกิดอารมณ์อขึ้นมา แค่เราที่ว่าเราสูงกว่ย่าโยมไม่จับน้องเสียงกาเราก็เศร้าหมอง yeah. เราก็ต้องทํำตามก็แต่ว่าเราเปา็นบังคับเขาไม่ได้ใครจะทําอะไรอย่างไรก็เรื่องของเขาเขาจะด่าเราแล้วเขาจะสรัรเสวน์เราก็เรื่องของเขาเราอย่าไปดีใจไปเสียใจกับคําพูดคําพูดเยอะ การวิธีปฏิบัติของเขากับเราบางเหมาะสมกับฐานะสมควรแต่ฐานะหรือไม่เราต้องยอมรับว่าฐานะนี้นเป็นถึงสมุทต์สูงกว่าต่ํากว่าเท่ากันนี่มันก็นเรื่องของส ม, มุติเท่านนะั้นจิตมันนูนแล้วมันมีแต่ตัวรู้อย่ตัวเดีวมันไม่มีสมมุติอยู่ในตัวนั้นแต่เวลามาเกี่ยวข้องกับผู้อื่นเนี่ยมันมีส ม, มุทต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเราก็ต้องเขา้าถึงส ม, มุทต์แต่เราให้เราลูกทันส ม, มุท อยากไปยึดติดในสมมุตินั้นเรากูบาอาจารย์ก็ต้องการว่า้ท่านมีพระที่น้อยกราก็มากราบเราก็ต้องรับกราบเขาแต่ในใจก็เป็นการเล่นละครไปใจก็เล่นไปตามสมมุติของตนเองท่านั้นเองอย่างที่ในประวัติของหลวปู่ั่านที่มีการเปนพระนาธรรม พระอรหันต์เนี่ยพระพุทธเจ้ามาแสดงธรรมให้กับหลวงจุมวันและท่านถามปัญหาเรื่องเวลาที่พระอรหันต์ท่านมาประชุมกันท่านนั่งกันตามลําดับอย่างไรท่านก็ทรงแสดงไว้สองลกกักษณะถ้ามีสมมุติมาเกี่ยวข้องด้วยก็ว่าไปตามสมมุติและว่าไปตามอายุพรรษาทีม่มีพรรษามากก็นั่งอยูข้างหน้าผู้มีพารษาน้อยก็นั่งอยู่ข้างหลังถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องสมมุติ ใครมาก่อนก็นั่งก่อน f i r s come first serve ใครมาก่อนก็ได้รับการตอนรับก่อนแต่เรื่องนี้ต้องรู้ถางถ้าไม่รู้ทางนี่มันก็จะเกิด อ, อาการอุ่อัตดขึ้นมาได้เรื่องมานอะ่ะแล้วก็มีอัศน์จักรคือความคลุ้งซ่าแล้วก็เงียบๆเล็กๆที่นในใจคือก็ยังคลุ้งซ่า อาจะเกิดจากการพิจารณาทางุดคุยคุยเสียหาเหลื่อต่างๆอย่างไม่รู้จักหยุด ห, หออย่อนจยัดย่อนอยากจะให้เจออยากจะฆ่ามันให้หมดอันนไม่มีกําลังเพราะจิตมันฟุ้งซ่านต้องเข้าสู่สมาธิต้องเข้ า, าเป็นทัศน์ให้สงบให้เย็นให้สบายเมื่อสบายแล้วถอออกมาทิ้งก็จะมีกําลังมีสมาธิมีอุดมค่า ก็จะค่อยๆดูไปสังเกตดูไปว่าอะไรเป็นปัญหาในจิตในตอนนั้นก็ยกปัญหาขึ้นมาแล้ววิเคราะห์ดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากมานะหรือเกิดจากอุปาลาคะหรือเกิดจากอุปาละค่ะหรือเกิดจากอวิชาเนมันก็เป็นเสาที่เราจะต้องแก้ให้ได้ถ้าเราได้ฟังธรรมของครูบาอาจารย์เรื่อยๆก็จะรู้ เพรท่านจาเขียนป้ายบอกไว้ตามทางตลอดเลยนะฮะมาถึงตรง น, นี้แล้วจะเจออะไรบ้ารจะติดอยู่กับอะไรบ้างเช่นจะติดกับแสงสว่างจะติดกับความว่างแต่มันไม่ว่างจริงแล้วก็จะไปหลงไปยึดไปติดไปรักษามะไรเ่งมันเป็นการรักไปรักษาการรักไม่ได้ ใายลักนี้ต้องปลอยวางมันถึงจะผ่านไปได้เนี่ยบุญคุณของครูบาอาจานก็จะสำคัญตรงจุดนี้แหละเพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้าไม่มดใครมาถึงจุดนี้มาก่อนก็จะไม่ก็จะต้องเจ็บจุดนี้เสีนส่วนเรคิดว่ า, าถึงที่แล้วเพราะว่าในคำพีนั่นก็บอกว่าจุดเดิมเป็นประพัดสอนความสวรรค์สวัย แต่มันเป็นความสว่างสวยของอวิชชาของกิเลสมันไม่ใช่เป็นจิตอันโดยสุดจิตโดยสุดมันถึงยังพลังังถึงยังมันไม่ใช่ตระทับสรนมั่างอันนี้ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติที่ขายมาแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดกันตรงนี้ไปคิอว่าจดตประทับสรนก็คือ นิพพานนี่แต่นั่นแหละคือตัววิชาก็จะไปปกป้องรักษาจิตปรัทธ์ ส, สนี้ก็ต้องคอยใช้สติปัญญาคอยคอยคุมให้มนุษย์ประพัทธ์สอนยู่เรื่อยๆคอยขัดให้มันสว่างสว่าอยู่เรื่อยๆพอมันจะแสดงอาการอับเฉาขึ้นมาก็รีบใช้สติปัญญาไปไปขัดมันให้มีแสงให้มันสว่างขึ้นมา ก็ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาถ้าใน ง, งานหลวงวิสิตังธรรมบรรจาะอย่างมันจะออกมาได้อย่างไรหลวงวิสิตังธรรมบรรเจาะย่างแปลว่างานในธรรมจารย์นู้นได้เสร็จขึ้นแล้วงานในมรรคนี้ได้หมดแล้วสติปัญญาไม่ต้องทํางานแล้วต่างหากความหมายของวิสิตังธรรมบรรเจาะย่างเพราะว่าไม่มีอะไรต้องทําแล้วไ ม, ม ไ, ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในจิตอย่างนั้นแล้วไม่มีการสว่างไม่มีการเศรเ้ารหมอง การสว่างกับความเ่อ้าหมองนี่มันก็เป็นของคู่กันแต่ถ้ามันทะลุไอตัวนั้นไปแล้วมันไม่มีเหลืออยูแล้วสว่างก็ไม่มีเศอ้าหมองก็ไม่มีแล้วมันจะมีอะไรให้ทำแต่นั่มันก็ไม่มีแล้วมันก็รู้อยู่แก่ใจว่าจะมีศีกามดำมาแก่หร้อยังเกิดในพรมาจกรรมนี้เสร็จทิ้หลงแล้วมมไม่มีเกิดอื่นใดที่ต้องทําอีกต่อไป มันละเอียดเข้าไปในเรื่องของระดับปัญญาเรื่องนกับร่างกายก่อนส่วนอย่างนี้ร่างกายก็เกี่ยวกังเรื่องเกิดเรื่องแก่เจ็บตายเรื่องสุภะเรื่องปฏิกูลเรื่องธาตุสีน้ำมือไฟนี่คือเรื่องของร่างกายที่จะต้องบูให้ชัดเจนให้เข้าใจว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเกิด แ, แก่เจ็บตายเป็นดินน้ำมือไฟไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา เป็นสุภาเป็นปฏิกูลไม่สวยงามพอผ่านร่างกายไปแล้วทีว่มันก็เข้าไปสื่ตัวจิตหรือตัวเวทนาสัญญาสังนขานหนึยานก็จะเห็นว่ามันถึงสแต่อาการเป็นสภาวะทำเกิดดับเกิดดับคิดตึงขึ้ น, นมาแล้ก็ดับไปเวทนาเกิดขึ้นตามจากความคิดตุงแล้วก็หายไปเหมือนเหมือนแสงหุ่นห้อย แล้วก็จะเข้าไปถึงตัวจิตที่มีการอาการแตกต่างเกิดขึ้นในจิตตัวนี้มีสว่างสว่างบ้างมีอับเสาบ้างมีฟุ้งซ่านบ้างมีสงบบ้างมันเข้าไปลึกเข้าไปเรืร่อยๆปัญญาเราก็ก็ต้องทํำเพราะมันละเอียดลงไปเรื่อยๆปัญญาก็ต้องแหลมขึ้นไปเรืร่อยๆเหมือนกระเข่งนี้มันก็ต้องหัว ความแรงของเข็มมันก็ต้องแรงมันก็ดูดแรงตามตัวของของเกลียวที่มันเอียดมันไปเรื่อมันจะพัฒนางูนไปเองพอปฏิติถึงขั้นนี้แล้วมันยังไม่มีอะไรมาหยุดยั้งมันสติปัญญามันจะเริ่มเหมไปโดยอัตโนมัติเมื่อก่อนนี้ทุกครั้งจะใช้สติปัญญาเหมือนกับจะสตาร์ทรถจะต้องคอยเข็นกันเมือถึงจะพิจารณาแต่พอมัน ถึงขันนั้นนั้นมันเป็นรถที่ติดเครื่องตลงอดเวลาหรือแต่ต้องคอยเบรกมันเรื่อยๆเพรามันจะไม่หยุดไม่ยัง้งมันจะคิดารณาแบบไม่หยุดไม่ยัง้งแล้มันก็จะเกิดความฟุ้งซ่านเป็นงานหมันต้องหยุดมันเอาเข้ามาพักในสมาธิพอพักแล้วพอได้กําลังมีกําลังแล้วก็ อ, ออกไปพิจารณานันคืองาน งานของพุทธาตาชนิกาชนกคือคันธุระนะนีต่อยาธุรเป็นอย่างนู้นระ จ, จายนะไม่ใช่การยา นี่ใครจะไปถามถามได้ที่อาจารย์จะเอาสีสีกำลังใจแผนหนึ่งของก่อนก่อนเมื่อปีสี่สองแผงหนึ่งแล้าก็จะหาแผงก่อนหน้านั้นมาใช้มาถึงน้องต่างๆชุดเริ่มนรกเลยนะเดี๋ยวจะถามเป็นยังังเวลาเอากาลังใจมาไม่มีสีสามแตกนะครับเราจาเก็ะครับทำหน้าสี เจอทำจุดผก็คงรอการนรรานี้คทาตอบก่อนนะีแล้วดทีร่่้ถ้าท่ากันนี้เป็นครบุ จะพูมยกิงของการปรอันนี้ไทีม่เปลี่ยนนะที่พูดถขอไม่ว่อะไรกด้ันคุจงควรงเอ่อคุมเล้ง่วงตาที่จะเอาเข้าเต็มที่เอาสิงเ่มาอไมายก็ดที่เราไม่ได้พูดถึงเวลาที่ราดจะให้มันจะอยงบทชีมข้างนขคนครับผชีมแต่ใจ ก็ลองดูถ้ามันหนาไปก็เอาที่ด้วแต่ดความนี่สุดคามหดหุนะัเพราะเราจะได้ไาะงันเดี๋ยวเราจะหมรือแล้วเอค่อยสลาก่อนก็ลองลองดูแล้วแล้วทาาบอกก็แล้วกันเราจะได้เพราะว่าเราเวลาทำาคาทำอะไรเนี่ยจะต้องขายไปเรื่อยๆไปเหมือนใส่ผิด่ แต่ระดับเดีกันระดับที่ที่ในล้าระดบับเดียวนี้เราไม่ได้ทาตามระดับที่เคยทม า, า, ามาเพราะว่าทตามระดับที่จะเพียงเป็นกำลังใจจิการจะเพียงกำลังใจสลับกับุนธรรมกลังใจ่เชนเล่มที่สิบแปดนี้เอาอทุนธรมเล่มสองมาเล่มสิบเก้าจะเป็นกำลังใจที่เพียสองยกเดี่ยวขึ้นา พอเลืนยี่สิบก็จะเอองธรรมยุทธานามมาสลับกันมันก็จะไม่เป็นไปตามลำดับมันที่เดินที่เคยเคยทำไว้มันเรียงลําดับหนึ่งแตเวลาเข้าไปดูเลยด้านซมัต่างกับในแผนนี้ก็ขอให้เข้าใจว่ า, วามั น, ม, นมันเรียงลำดับไม่เหมือนกันอันนี้เรียงลำดับการการความจริงที่เกิดขึ้นอยู่อยาจะทําไป อิตตอนที่แ้วมันยังมีทั้งใจจิตตอนใช้ก็มายถึงจิตที่ที่สมมูรณ์อยู่ในชนฌานฌานจะเป็นจิตที่ยังมีกิเลสอยู่เพราะทานนี้ไม่ได้ทำลายกิเลสกิเลสจะถูกทำลายตอนตอเมื่อมีกิริยาสัตย์อู มีปัญญาในใจรักขึ้นมาเร็ยนผู้ที่จะมีมีมีจิตบริสุท์ได้นี่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวองค์แรกแล้วนำมาสอนผู้อือย่างสมัยที่พระนพระพระความนี้การที่พวะพเจ้าจะตัดสิร้จิตของว่าพเจ้าก็มีประพาสอนอยู่แล้วแต่มันเป็นปภาพาสอนของสมาธินี่อื จิตสงมันก็เหมือนกับเอามันก็เป็นนิญญานแต่เป็นนิญญานชั่วข้าวกิเลสมันยังข้อมูลจิตใจเนาะถ้าเป็นตะเกียงก็ยังมีโปะครอบแต่เป็นโปะที่ได้รับทําการชําระถัดซาสายแจวเหมือนกับเหมือนกับไม่มีโปะเหมือนกับแว่นั่นที่ได้รับการใช้กระจกให้มันสะอาดมองทะลุแว่นเหมือนกับว่าไม่มีแว่น เาจจิตปรพสสอนเป็นนั้นเป็นเป็นว่านเป็นจิตที่ได้รับการขัดขัดได้ชำละด้วยกาลังของสีลสมาธิคือมีวันยุคตางขององคารนะตอนีกทีนี้ฉบอกว่าจิตรู้เรื่จริงๆบจตสสอนแต่ว่ามันจะมีกิเลสจอนเข้ามาอนเาก็เวลาออกจากสมาธิกิเลสมันก็ออกมาอารย์นั่งสมาธิมันก็เป็นประาสสอน ออจากสมาธิกิเลสมันก็ออกมาเพราะโคจร น, นี่เป็นภาษาเป็นคําพูดความจริงมันไม่ได้โคจรอ่ะมันอยู่ในจิตเราจัตติโลกทุกตัวนี้มันมีกิเลสเขา อ, อยู่มาตลอดเพราะพุทธเจ้าพยายามย้อนกลับไปดูว่ามันเริ่มต้นที่ตรงไห น, น, นก็ไม่มีจุดเริ่มต้นจุดเรื่องดวงมีกิเลสอยู่ทุกดวง มีแต่พระอุตตมะกับพระอาหันท่านั้นที่กําจัดให้ออกไปจากจิตจัตใจได้มันเป็นจิตบริสุทธิ์มันทำทางวิจัยว่าคนคนอย่างกันจิตประพัฒน์สอนกับจิตบริสุทธิ์นี่เขายอย่างกันจิตประพัฒน์สอนก็คจิตที่สงบแต่มีจิตเละสงบตัวอยู่ในจิตนั้นไม่ทํางานหรือจิตของ ของพระอนาคามีที่กำลังพิจารณาดูจิตที่เศ้าหมองบ้างสว่างบ้างนีครับแต่เดียวกันกิเลสอันละเอียดเราวิชายัางยังไม่หมดไปคือพ่อของกิเลสก็คือเราวิชานี้ัยังไม่ได้ถูกถอดถอนมันอยู่ในจิตแลกระทั่งของพระอนาคามีก็ยังมีจิตพัฒน์สอนเป็นแบบนี้ เป็นจิตที่สงบที่ละเอียดแต่ยังไม่หมดกิเลสยังมีกิเลสอยู่ถึงว่ามีกิเลสอะโคจรเข้ามาเลาสัมพัสต่อนแล้วเดี๋ยวมันก็มันก็เฉาลงมาเนี่ย ก, กิเลสทำให้มันเศร้าหมองตอนนั้นถ้าไม่มีสติปัญญาก็จะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติจากจิตดวงนี้ ก็อาจจะหลงคิดว่าเป็นพันที่ผ่านแล้วเป็นจิตบริสุทธิ์แล้วแต่ไม่ใช่คือกำลังของปัญญาที่จะกำจัดีิเหลสได้าาให้สุดนี้ต้องระดับขั้นขั้นขั้นสูงสุดขั้นของพราอหันต์นถึงจะกำจัดีิเหลสได้าาสุดท้า ทันพระโสดาบันปฏิอาคามีอนาค า, ามีนี้กำจัดได้บางส่วนแต่ไม่หมดูีลูกฟัขงของ่าอาจารย์มีส่ินี้สิ่สินี้ยมีช่วงนี้ท่านอธิบายถึงนี้่องดั บ, ดอบดของธรรมที่จะเกิดอะไรนี้เพราว่าที่ท่านเขาได้มาจะอะไรเนี้ยท่นอาจารย์อธิบายร่วมกันเป็นช่วงเช้า ปันใหญ่ก็จะแมได้เอียดในวันนี้วันนี้จะพูดละเอียดกว่าทุกท่านบางทีจะอธิบายอะไรบางอย่างงทีมันก็ต้องหยุดพูดแล้วหยูดพูดกันดงด้วยบางทีพูดแสดงก็ถ้าคิดไม่ถึงที่ไม่ออกบางทีมันก็พูดไม่ออกคือบางทีมันรู้อยู่ในใจแต่มันก็รู้ว่าจะพูดด้วยคําพูดอย่างไร นี่จะทำให้มันเห็นภาพให้มันกระย่างขึ้นท่านที่แบ่งคนเป็นเป็นพบกประธานบารมียะนี่นะจ๊ะค่ะพบกประธานบมีนี้ถ้าเขาบมืสีเราเขาสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นเนยะยขึ้นมาสูงขงึ้นได้ไคะคงจะคงคงจะได้แต่คู้ตามหลักความจริงแล้วคงจะยาก เป็นมกากเป็นอาหารของกิเลสใปทั้งหมดกิเลสจะครอบงาหรือตลอดเวลาหรื่าอะไรเขาเขาพยายามนะว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็พยายามสะสมนี้แล้วเขาก็สั่งให้ถ้าเขาพยายามเขาไม่ใช่เป็นพวกกัทธะปรารถนาถ้าจะชื่อภัยยะพวกนี้เป็นพวกที่ไม่พยายามพวกที่พวกที่ปฏิเสธเรื่องการวิยนว่ายตายเกิดเรื่องเกิดแจเรื่องเรื่องเรื่องสนาเรื่องศาสนาพวกนี้เป็นพวกกัทะปรารนาหรือไม่รับยางพวก ช่ทีเหาะก็พยายามเอาเทอาซดีมเขาบก็พยายามได้ถ้าเขารับก็แสดงว่าเขาไม่ใช่ถ้าเขาไม่รับแสดงว่าเขาชอเขาทั้งนั้นแหะพวกเราก็เล่นน้อยก็เลยอ่ะไม่ถึงมานนั่งฟังทานี้ได้ผงไม่ใช่แล้วไม่ใช่บัตรทาไม่ใช่ปัะทาแล้วล่ะพกบรทาเราเคยเนี่ยชวนมาวัดนีไม่มา เวลาที่เวลาที่ลูกเห็นอารมณ์แล้วคะลูกไม่สามารถไม่สามารถดูว่ามันเกิดดับได้ก็คือต้องให้เหตุผลเหมือนกับเวลาที่เห็นความคิดคือที่ท่านอาจารย์สอนว่าเวลาเห็นความคิดมันฟุ้มไป<ต><อ>ก็ให้บอกให้มันหยุดเพื่อที่จะได้สงบทีนี้เวลามีอารมณ์อะค่ะก็คือต้องใช้แบบเดียวกันมันถึงจะหยุดไปได้แต่ว่ามันไม่เห็นความเกิดดับเกิดดับคือต้องบอกให้มันดับมันถึงดับนะคะถ้าทําไปเรื่อยๆมันถึงจะเห็นว่ามันเกิดดับแล้วค่ะ เราเรามองไม่เป็นท่านเอพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาฟ้าที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ตัวก่อนนี่มันดับไปแล้วไอ้ตัวนี้ตัวตัวที่สงบมันหายไปละตัวอาลมณ์ขุนเมามันเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเห็นแต่ตอนที่มันเกิดอารมณ์ขุนมัวขึ้นมาพอมันพอมันไม่พอตัวนี้หายไปเราก็เราก็เหมือนกับว่าไม่ได้ดูมันพอมันหายไปแล้วมันก็ไม่เป็นการหา เราแต่เราไม่มองว่าอาชีว น, นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นในกระหลายเลยลวลาเมื่อกี้ไม่ได้เกิดเพมาผูกทางนนมันก็เกิดแล้วถ้าเสียรญยะหนึ่งมันก็หายไปพอมันหายไปเราก็ไม่ไปสนใจกับมันละเราก็เลยไม่รู้ว่ามันหายไปแล้วแต่ถ้าเราคอยดูเราก็จะรู้ว่ามันมันมาเดี๋ยวนี้นก็ไปมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือถ้าเราต้องให้เหตุผลมันนี้แปลว่า แปลว่าเรายังไม่เห็นความไม่เที่ยงของมันนีกสค่ะคือถ้าจากไดเรายังที่นาบที่มันยังมีเกิดขึ้นอยู่ว่าแสดงว่า mm hmm. ปัญญาของเรายังไม่ทันเลยเรายังไม่ทันใจเรายังไม่เห็นใจรักในสิ่งเหล่านี้เรายังมีวารยึดติดในอารมณ์บางส่วนและยังมีการมีการต่อต้านในอารมณ์บางส่ว น, รร น, น, น, รวนหรือเรายังใจยืนดี ยินร้ายกับสิ่งใดสิึ่งที่เป็นเหตุทำให้เกิดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีตามมาอยูรจะสรุปแล้วมันแล้วแต่ว่ามันเหตุมันอยู่จากอะไรเหตุบางที่อยู่ภายนอกจากรูปเสียงกลิ่นวัตที่เราสัมผัสก็ทําให้เกิดอารมณ์ได้เมื่อเกิดจากสัญญาความจําได้ไหมถี่อยู่คนเดียวเนี่ยมันจะจําเรื่องอะไรขึ้นมากระมุนๆก็ทําให้หมดจิตใจขึ้นมาได้หรือดีใจขึ้นมาได้มันแล้วแต่ วิธอว่าเราจะมีสติปัญญาทําได้ว่าอไม่มันเกิดจากส่วนไหนแล้วเราไปใช้ไปตัดมันได้หรือเปล่าเพื่อปัญญาหรือเราจะดูที่ตรงตรงผลเลยก็ได้โดยไม่ต้องไปดูที่เห็นดูตรงตัวอารมณ์เลยก็ได้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับมันกระดับแล้วเหนือยมันก็เกิดก็ได้แต่มันจะมันก็จะดับเฉพาะเฉพาะการตรงนั้น เพราะเรายัางไม่ได้ไม่เ ร, ยก เ, ร, ย, กเรยกเป็นดับที่ต้องเห็นคือสิ่งที่ทําให้เราไปหลงยึดติดอยู่ที่ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาเราก็ต้องไปแก้ตรงจุดต้นเห็นคือต้องทําให้เราเข้าใจาว่าสิ่งต่างๆที่เราไปมีปัญหาด้วยนั้นเราไม่ควรที่จะไปมีปัญหากับเขาเราควรจะปล่อยเขาไปตามยึดของเขาถ้าปล่อยแล้วมันผลคืออารมณ์ต่ า, างๆมันก็จะไม่มีเกิดขึ้นมา ถ้าเราดูที่ปลายเหตุก็ดูที่ผลพอมีสเติรู้ตั้มมันก็ดับได้ชั่วขณะที่เราเห็นพอเห็นว่าเราตะลึงงุดหยุดนะมันก็อาจจะดับได้แต่บางทีถ้ามันเรื่อบางทีมันก็ไม่ยอมดับมันก็มีมันก็ก็ต้องเข้าไปขดคุยดูต้นเหตุว่ามันเกิดจากเรื่องอะไรไปมีปัญหาไปยุบไปติดกับเรื่องอะไรก็อย่าอะไรเมื่อรู้啦ตัวนี้เป็นปัญหาก็ต้องตัดมันทรงนั้น พอทารได้แล้วต่อไปนั้นก็จะไม่เติมยึดไปติดอารมณ์ที่เกิดจากเรื่องนั้นก็จะไม่มียขึย้นมาแต่อารมณ์ที่แต่เริ่ม อ, อืนที่ยังไม่ได้ตัดมันก็ยังเกิอารมณ์ขึ้นอย่นันก็ต้องแก้เดไปเรื่อยทดสอบไปเัื่อยๆทาการบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเข้าห้องสอบอยู่เรื่อยๆก็จะไม่มีอะไรตกค้างอย่ในจิตอารณ์จะไม่ลอยจิตจะว่าง วกวาดของก่อนไหมนะนี้ไม่ต้องมีปัญหาอะไี <c oughs> ก่กั <c oughs> นถิ่ ที่กวดฉีนั้นขวัเองคถ้ากวัให้ก็มาถึงแปสนะถึแปดวันนี้ถแม่ชีก็เป็นอุบาสิกาถึงแปดยิ่งว่าจะปฏิบัติแบพก็ได้รือแบบแบอุบาสิกาก็ได้งแปแค่นี้ดก็ต่ทางทางธรเนียร์นี่เขาก็มีองค์กรที่ดูแลเรื่องแม่ชีนี้อยู่ เขาคงจะมีกฎมีระเบียบอะไรกัางๆแต่ถ huh ้าพู้ตรดหลักทำก็ถือว่าเป็นผู้ที่เสียสิทธิ์การเป็นผู้ตัดสินการทำไม่รน้ใคนจะไปคนบวดคนที่คนที่สองมีกาดีเดย์แล้วยังไงใส่ที่ปกให้กหรอคุณจัน บวีนี่ถื้อสินแตกเข้ากันไหยครับกับข้าวซื้อสินแตกธรรมดาเนี่ยครับตัวก็ไปกลหัวเนี่ยครับคือแม่ชีนี่มันไม่มีในพระพร้าินัยนะครับอะไรทางที่เห็นปฏิบัติกันก็เป็นสองสองลักษณะคือแม่ชีที่ปฏิบัติเหมือนเป็นนักบวชคือปฏิบัติตามเหมือนกับพระที่ปฏิบัติ กรรมณ์ที่ที่ปฏิบัติเหมือนกับอุบาสิกาที่ถือสินแต่แต่ไม่ได้โกนผมก็มีอยู่สองลักษณะเท่าที่เห็นแต่ทีนี้ในประเทศไทยเรามีองค์กรคืออะไรณฑ์ทีแห่งประเทศไทยเขาคงจะมีกฎมิกติกามีระเบียบอยถ้าจะจะบวดให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบเขาก็ต้องไปศึกษาดู ว, ว่าเขาเขามีกฎกติกาอย่าง โดยเม่ฉะนั้นเราก็สมถติว่าเราบวชแล้วเราก็ไปอยู่ตามสำแนักที่แม่ชีเขาอยู่กันเพราะก็จะมีกฎมีกติกาของเขาเช่นถ้าเราไปอยู่ที่สำแนักของคุณแม่แก้วนี่ท่านก็คงจะมีกฎมีระเบียบของท่านแต่โดยโดยโดยหลักขั้การก็คือเป็นผู้ที่ถือสินแตกเท่านั้นเองเป็นอบาสิกาไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพิชุม แต่ถ้าอยากจะปฏิบัติให้เป็นแบบทิกงุกสนีก็ไม่มีใครห้ามเราก็ไปศึกษาดูทวินัยของพิกษุน์ว่ามีอะไรบ้างแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็ได้มันก็เป็นอยู่ที่เรา <c oughs> เพียงแต่ว่าไม่มีไม่มีองค์กรที่มารับรองให้เป็นกิจการลักษณะเท่านั้นเองเพราะองค์กรของแม่ชีของพิกษุนีนี่หมดไปแล้วถ้าที่ไดยินมาก็บวชได้ประมาณพันปี เรก็ไม่มีผู้ที่จะบวชต่อไม่มีผู้ที่จะสืบทอดต่อพระภิกสุมีก็เลยสูญสูญหมดไปแต่ผู้ที่ปฏิบัตินี่ก็สามารถปฏิบัติได้คือเรารู้ว่ามีศิ่มีข้อ บ, บังคับอะไรเราก็รักษาไปเท่านั้นเองแต่นี่มันเป็นเพียงขั้นของสี่เท่านั้นเองซึ่งก็ ศินห้าหรือสินแปนี่ก็พอเียงต่อการปฏิบัติทำขั้นสินได้เหมือนกันเพราะว่าเมื่อเราปฏิบัติไปแล้วจิตเราก็สงบเมื่อสงบแล้วมันก็มีสินโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่ไปทำอะไรที่มันเสียหายทางด้านกายวาจาดงั้นจะถือสินระดับไหนก็ใช้ได้สินห้าก็ได้สินแนก็ได้ ก็ในสมัยพระพุธการพูดที่บรรลุสิงที่บรรลุเป็นพระอาหานต์สิ่งห้าก็มีสิแปดก็มีเช่นพระราชนิพนธ์ท่านทีอยู่ในวังท่านก็บรรลุเป็นพระอาหารตเจ็ดวันก่อนพระ็จสวรสก็ไม่ทราบว่าท่านถือสิงแปดหรือถือสิ่งห้าแต่ท่านก็ไม่ได้ออกเดือยดังนั้นสิ่งนีก็ไม่ได้เป็นตัวสําคัญเท่ากับตัวภาวนา ตสมาธิกับปัญญากับสติอันนี้สำคัญกว่าแต่ศีลก็ต้องมีพื้นฐานเนี่นก็คือศีลห้าศีลของพระสอง้อยี่สิบเ็ข้อก็มีมีมีมมปาราสุกศีที่เป็นศีลที่สำคัญที่สุดคือไม่ค่าสัไม่ค่าผู้อื่นนไม่ไม่ลักทรัพย์ไม่ไม่เสดในถุนก็คือไม่เสดกลาง ไม่พูดปดเกืออุตรุหดอ้างคุณวิเศษที่ไม่มีอยู่ในตัวตนก็เหมือนกับสิ่งสี่ข้อของคารวาสก็คือท่าสัล์รักทรัพย์ประพฤติตเวแหน่และเึ็งแต่ว่าถ้าเป็นนักบวชก็ต้องถือสินงพรมจรรย์ก็คือไม่มถืออจรรายาคือละเว้นจากการเสษการ แล้วก็ละเว้นจากการพูดปดก็มีแค่สีสีข้อเนี่ยที่เป็นสิจริงจริงนอกานั้นก็จะเป็นระเบียบมากกว่าคือเพื่อที่จะให้พระอยู่ในสภาพที่น่าคารนักถือก็อต้องมีความสั่งอยู่ในกายวาจาในการพูดในการกระทำาในต่างๆให้สวยงามให้ให้คนต้องเห็นแล้วก็ความเคารพเดิ่มใส ข้อเหล่านั้นเราไม่ถือว่าเป็นสีนก็ได้ถือว่าเป็นกฎระเบียบขึ้นเวลาฉันก็ให้นั่งฉันไม่ให้ยืนฉันอย่างนี้นผมตอนเวลาขับถ่ายปัสสาวะก็เหมือนกันห้ามยืนเป็นภาวนีงต้องนั่งส่วนใหญ่มันจะเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกฎเป็นระเบียบมากกว่าถ้าเป็นสีจริงๆก็มีห้าข้อสี่ข้อนี้เองสี่ข้อแล้ว แลกระทั่งาธาตุเสตุลาก็ไม่ถือเป็นตระกิก็เป็นถือเป็นเพียงเป็นอบัตขั้นที่ปรองได้ mm hmm. เสตุล า, mm hmm. าเพราะตาเสียตุลาก็ไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนนอกจากให้ตนเองเดือดร้อนเป็นหลัก mm hmm. หรือเมาแล้วก็ไม่มีสติที่จะนั่งสมาธิที่จะปฏิบัติธรรได้เพราะฉะนั mm ้น hmm. เ mm hmm. okay, ถ้าเป็นคารวา่า เราอยากจะปฏิบัติธรรมก็ถือศีลห้าถือสลแปดถือศีแปดไว้ให้ได้เล่กัน พ, พอเพียงสำหรการบงเทนสมาธิและสัญญาถ้าอยากจะให้มันกระชับเข้าไปก็ถือตามกฎระเบียบของพระเกี่ยวกับเรื่องการขบฉั น, น, นคือหลังจากเที่ยงวันจะแะก็จะถ้าท่านไม่ฉันอะไรเราก็ไม่ฉันตามท่าน ถ้าเราไม่ได้ถือเราก็อาจจะถึงว่านมก็ดื่มได้มันไม่ได้เป็นอาหารแต่พระก็ถือว่าเป็นอาหารเราถ้าไม่ดื่มเราก็ไม่ดื่มพระถ้าไม่จัดต้องเงินทองถ้าเราถ้าเราไม่จัดต้องเงินทองได้ก็ก็ได้แต่ไม่ได้เพราะว่ามันสขาดสารค่าบกันเพราะเราไม่มีใครเลี้ยงดูเราเราต้องเลี้ยงดูตัวเราเองเราก็ต้องมีเงินทองไว้เป็น เป็นตัดใ จ, จไว้แรกเลี่ยนกับอาหารกับปัจจัยสีที่เราต้องการอันนี้เราก็ปรับเข้าไปกับการฐานะของเราเรื่องอย่างนี้มันไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอะไรมากจนเกินไปมันสําคัญเหมือนกันแต่มันต้องปรับให้มันเหมาะกับเหมือนกับเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยแต่ละคนมีขนาดต่างกันจะให้ใช้ขนาดเดียวกันเหมือนกันทุกคนไม่ได้แต่ละคนก็ต้องปรับขนาดของเสื้อผ้าให้เหมาะกับกับตัวเราเอง พศของนักบวชก็มีหลายหลายชนิดในการมีพิกษุพิกินีสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่ก็เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันแต่มีมีความแตกต่างกันในสถานภาพในฐานะของตนก็ต้องให้ให้ตับให้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับฐานะสถานภาพของตนนั่นเองแต่งานหลักก็คือคทันทัพเทระนิปัสสนาเทระนี่ก็อย่างอันเดียวกันสมาธิปัญญาก็อันเดียวกันสติก็อันเดียวกัน ไม่ต่างกันงั้นอย่าอย่ากังวลเกี่ยงกับเรื่องเรื่องเรื่องสถานะภาวว่าข้าวไม่ได้เป็นพิกษุนีแล้วจะมันไม่ไปถึงพระนิพพานไม่ได้อย่างนี้นอย่าไปคิดถ้าอาหารหันมีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถามใดยังมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอยู่ามนั้นถ้าอาหารหันจะไม่ขึ่นไปจากโลก ท่านไม่ได้บอกว่าตราบใดถ้าไม่มีพระภิกษุแล้วจะไม่มีพระอรหันต์ท่าไม่ได้พูดอย่างนั้นท่านพูดอยู่ที่พุทปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพุทธปฏิบัติปฏิบัติสองควรแก่ธรรมพระอริยสองสาวกที่เราเรียกว่าสุภสุตันโนอุทุยายะสามีจิตนี้ก็ไม่ได้อยู่ที่ภิกษุหรือภิกษุนีมีอยู่ในพุทธลายสว์ทั้งสี่ในสมัยพระพุทธการนี้มีทั้งสามเณรก็เป็นพระอรหันต์ ทั้งอุบาสบบาิกาก็มีเป็นพาาาระอรหันต์กันแตมันไม่ได้อยู่ที่สถานภาพแต่อยู่การปฏิบัติเทนั้นเองงั้นอย่อยาไปคเรื่องนี้เป็นประเด็นแล้วมันจะเป็นอุปสรรคบางคนอยากจะปฏิบัติแต่จะต้องบวชเป็นภิกษุณีให้ได้มันก็เลยเสียเวลากับการที่จะไปต่อสู้กับองค์กรต่างๆบังคับให้เขามาบวดตอนให้เป็นภิกษุนีให้ได้ หรือนม่นก็ต้องไปหาสำนักที่เขามีพิกพิกศุนีแล้วไปบวชกันที่นั่นแล้วมันก็เป็นเรื่องเป็นราแทนที่จะเข้าสู่ทางมรร ก, ก็กลับไปสู่ทางกิเลสไปตามความอยากอยากอยากเป็นพิษสุนีขึ้นม า, าเพราะกิเลสอยากจะให้มีความเสมอภาคเองเป็นผู้ชายบวชเป็นพระแล้วมีคนให้การสนับสนุนต้อนรับ<ม>ตัวเองเป็นนัก บ, บวชเป็นผู้หญิงก็อยากจะให้เขาต้อนรับเหมือนกับ เป็นเป็นผู้ชายแต่ไม่คำนึงถึงความเป็นจีิของสังคมของภาวะที่เป็นในปัจจุบันมากเลยอย่างไรไม่รู้จากสังคมไม่รู้จากคนเราก็ต้องยอมนะว่าเรื่องหลังนี้มันเป็นเรื่องเปลือมันไม่ใช่เรื่องแก่นเรื่องแก่นอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ธรากับกิเลสที่ต่อสู้กันอยู่ในใจของเราเราสร้างทามันในมากขึ้นมาเถะ แล้วกิเลนมันก็จะสลายไปเองมันไม่ได้สลายด้วยผ้าเหรือด้วยผ้าสีขาวหรือผมสั้นหรือผมยาวมันสลายด้วยธรรมอยู่ตรงนั้นอยูตรงนั้นเป็นหลักเป็นหลักันดิพวเวจ้าบำเพ็ญท่านก็ไม่มีท่านก็ท่านก็ไม่มีท่านก็ไม่มได้เป็นพิกิตใช่ไหมท่านก็เป็นสัมนาณะแสวงหามโมฆะธรรมเป็นฤาษีชีพาย ปฏิบัติเหมือนกับพระปัญจวัคคีย์ก็เป็นวิสิทธิลชีพไปต้องปฏิบัติไปตามที่เขาสามารถปฏิบัติได้ดัน้อย่าไปกังวลนะว่าจะเอารูปแบบไหนดีขานาไหนที่มันเหมาะสมกับเรา <c oughs> ก็เอามันอย่างนั้นนะ <c oughs> แต่ส่วนนึ่งที่มันจะบอกว่าติดไม่ติดก็อยู่ที่กองผมแล้วไม่กองผมเนี่ยถ้ามันยังเสียดายผมอยู่นี่ก็แดงมันก็ยังติดอยู่จ้าถามมันจริงๆฮะถ้าเราไม่ได้ยึดติดกับร่างกายล้วเราจะไปยึดติดกับเช่นผมที่มันติดอยู่บาทีถ้าทำไมเรายึดติดตัวตนว่าตัวเราต้องสวยต้องงานต้องมีผมมีผ้าของพอละกอผมแล้วน้ามหน้าตาอัตลักษณ์ขึ้นมา นี่ก็ติดแนละ้วยังหนองติดอยู่กับกล้ามกายยังมีสักการยั้กทิดย์แต่ถ้าไม่มีสักกายยค้กทิดย์รับดดก็โกนหัวเลยสบายกว่าเยอะแยะผมสร้างยี่ในสายสบายอาบน้ำก็ง่ายจะดูกจักล้างก็ง่ายเอาเอาเอาสบู่ฟองนิดหน่อยก็เสร็จแล้วไม่ต้องไม่ต้องรอให้มันแห้งอะไรนุ่มแ ห, งห้งของมันเองรคบเดียรก็แหง้ง ไม่ต้องหวีไม่ต้องอะไรไม่ต้องมีสัญหาเกี่ยวกับรังแครเกี่ยวกับอะไรต่างๆงานจะสบายแค่ผมก็เสร็จแล้วจริงก็ตั้งใจจะว่าแล้วเมื่อวันก็มีความ บทนิจใจเขาว่เาเ้าจะเขียนมาถามปัญหาท่านแต่คงจริงท่านอารได้ตอบไปแล้วในวันนี้คือการที่มากราบท่านอาจารก็ต้องกราบเห็นว่าท่านอาจารเป็นแบบแบบอย่างของพระพิสุให้พวกลูก น, นี้ในทางสมถะเป็นที่สุดองค์หนึ่งตรนนี้ปพอดีเราไปวีพระพิสุบางรูปเนี่ยได้ขอให้เขาทาอะไรบางอย่างซึ่งเขา จะไปว่าว่าเขาก็ไม่ผิดอลยนะคะที่ได้รับการขอร้องอย่างนั้นแต่ว่าพอมันเอาท่านอาจารย์เป็นแบบเนี่ยมันก็เกิดอาคติในใจเกิดอาคติในใจก็เกิดการต่อสู้กันรู้ว่าควรทําในการนี้ควรซัพพอร์ตควอะไรเงี้ยแต่ว่าใจก็ยังไม่ลงเต็มที่เพราะไ ป, ไปเอาคือพอดีอารมณ์เขาว่าเพราะเอาท่านอาจารย์เป็นแบบอย่างจริงจริงคือแต่ลองท่านก็มีการเด็ดขาดกันหมะ ตรงที่ท่านทำนั้นก็ไม่เสียหายอะไรตรงที่ไม่ทำก็ไม่เสียหายอะไรเงแต่ว่าเราไม่สามารถแยกแยะออกคือมันเป็นกระดกอย่างเราไม่ค่อยชอบทำอะไรคนที่เขาอยากให้เราทำเขาก็ไม่ชอบเราคนที่เกลียดเราก็มีขอให้ทำอะไรก็ไม่ทำให้ทั้อย่างเมื <laughs> ่ก่อนเอาลูกมาให้ตัดผมบอกว่าเราไม่ใช่ท่งตัดผม <laughs> แล้วไปหาของนู้นของนั้นเขาทําให้เอเขาก็ไม่รู้จะรู้สึกยังไงละ่ะเราก็เราพูดไปตามความจริงเราไม่ได้เป็นชั้นตัดผมเราเป็นครูสอนธรรมะแต่ยังต้องการธรรมะก็มาหาถ้าต้องการให้เราไปเป่าตีไปเน่าสวดก็ไม่ไปละ่ะเราไม่ใช่เป็นคนเป่าตีเราไม่ใช่เป็นนักสวดถ้าเราไปเจอ บ, บ้านเจอรถอะไรเร า, น า, นานไม่ไป ทำไม่ใช่เป็นช่างทาสีไม่ใช่เป็นช่างวาดเขียนนะครวบชาวองค์อื่นท่านทาก็ไม่เสียหายยังไงท่านก็สงเคราะห์เขาไม่ตาเราก็ไม่ได้ว่าไม่ได้ทํำไปทุกรายการไปบางทีเราก็ต้องทําแต่ที่ต้องทําพราเหมือนกับเป็นการใช้หนี้บางคนเราเป็นหนี้เขาเนี่ยเขามาทวงหนีก้ก็ต้องใช้หนี้ให้เขาจ่ายคิดเรื่องนี้ดีกว่านะใช่ ที่เราเลือกทำไม่ได้เลือกเพราะคนนั้นคนนี้หรอกเลือกเพราะว่าเขากับเราเป็นนี่กันอยู่เราข้างเขาเขาเคยมีบุญมีคุณกับเราเราะมาขอทวงนี้เราก็ต้องทดแทนบุญคุณให้ เ, าเขาไปงั้นบางรายเราก็ต้องเราขัดไม่ได้เราก็ต้องไปก็มีเหมือนกันแต่น้อยมาก แล้วคนหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่เป็นหนี้เขาเราต้องไม่ต้องใช้หนี้แต่อยากจะให้เราทำก็ต้องทําให้เราเป็นหนี้ก่อนเพิ่มเงินงดสายบ่ายแล้วเราทุกวันมาตลอดยี่สิบปีอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราเป็นหนี้เขาแต่คอานี้หมดให้ไปฉนันบางทีเราก็ต้องไปแต่บางทีเขาได้บุญนะคะตรงนั้น<อ>ไม่ได้ แต่เราก็เป็นหนี้เขาเพราก็เลี่ยงเราถ้าไม่มีเขาเราก็อดไม่ได้ขาดแคลแล้วก็อาจจะอยู่ที่นี่ไม่ได้นะก็อยากอาจจะต้องไปที่อื่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่คิดอย่างนั้นเราเราคิดของเราไปเองแค่ไเองก็เหมือนที่พระพุทธเจ้าถามที่มีชายอยากจะขอบวชแล้วพระพุทธเจ้าปรถทานพระว่าชายตรงนี้เขามีทําคุณประโยชน์อะไรให้สังฆทานาบ้างหรือเปล่า พระ้าริบก็บอกเคยใสเข้าให้มินทพีพระเจบอกงี้ก็บวดได้ใช้ไหมครับการการทำอะไรต่างๆทุกวันในบางทีมันเลยเถอะไปกลายเป็นแพชั่งกันพอคนนี้นิ่งหมดคนนั้นก็อยากจะนิ่งหมตามมันพ้าก็เหนื่อยพ้าก็ามากับอยุ่งกับเรื่องไร้สาระหลังเลย แต่ว่าเรื่องไร้สาระก็ไม่เฉียงเรื่องเรื่องเรื่องเปือกเรื่องกระพี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องแก่นเรามาศึกษาที่เราก็รู้แล้วแก่นเป็นยังไงล้วเอาแก่นดีกว่าแล้วเปลือกแล้วก็พี้ก็เสียเวลาใช่ไหม นั e <throat> ้น <autistic> ก <no ulations> ็อย <AT wars Princess human profiles> <that> ่าเอารูปใดรูปหนึ่งเป็นมาตรฐานไปถึงในเรื่องของเปิดเรื่องกับที้แต่ละลายต้องมีเหตุมีผลของท่านมีความจำเป็นที่แตกต่างกันถ้าจะเอาหลักก็เอาที่แก่นเป็นหลักกันแล้วกันอันนี้จะต้องไม่เหมือนจะต้องไม่ต่างกันเรื่องคันตรธุรวิปัสนาธุระนี้จะไม่ต่างกันแต่เรื่องใหญ่เรื่องการสงเคราะห์ การและกันนี้ก็แตกต่างกันได้ต า, ามความอหาะสมข อ, ของแต่ละองค์แต่ละท่านที่บอกว่าท่านอาจารย์ไม่เคยเลยปากขออะไรพวกลูกเลยขนาดพวกลูกให้ท่ า, านอาจย์ถึงไม่รับเลยเรื่องมาเป็นภาระนะครแล้วมันก็ต้องจัดการกับมันอย่างไดอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปจัดการที่ไม่ไม่ไม่ถูกใจเขาอาจจะโดนี่ โดนโดนตำหนติเตียนโดนวิพาควิจาร์ก็ได้ถ้าไม่มีมันดีกว่าสบายกว่าเพราะสำหรับตัวเราเรามันพอแล้วอชะไหมเาไม่ต้องการอะไรถ้ามันทำไปก็คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นแต่ความคิดของคนเราเม่อมีความแตกต่างกันได้เสมอ ก็่ยัยบอกเขามืนกันนะว่ า, <อ>าการสูงเขาเขาก็ยังได้บนอยู่เอไ่ไหมครัตรงนั้นขอบุนที่ที่แกนดีกว่าที่แกนดีกว่าเห็นให้พอนเลยนะเยอะเลยฟอนาี่ียนทำกัน้านนะคะ ขอสงกันบ้านจ้ะค่ะรู้สึกว่าตัวเองนิ่งขึ้นแล้วมันเย็นเบาแต่ไม่ไม่ไม่ไมด้ไม่รู้สึกตัวแับไม่ถึงขั้นสว่างนะค่ะแต่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนที่ว่าเราเรานั่งเรามันจะนิ่งเราต้องปฏิบัติเชิงลุกคือเราพิจารณาอย่าปล่อยให้ใจคิดไปตามเรื่องต่างนแต่าไปตามรู้มันเราต้องเชิงลุกเราบุกมันเลย อย่มันให้มัคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเรื่องตายนักอยู่ตลอดเวลาดูตัวกรรมพุทโธอยู่ตลอดเวลามันถึงจะเป็นเชิงลุกถ้าปล่อยให้ถึงเวลาแล้วให้ปฏิบัตินี้มันยังเป็นเชิงรักอยู่เราปล่อยให้มันลุกเราจิตชั่วโมงแล้วเรานุกกับมันแค่สองชั่วโมงมันก็ไปไม่ถึงไหนเราต้องดูยมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยต้องปฏิบัติการเชิงลุก ไปปฏิ<พ uka>บัติการเชิงรับถ้าเชิงรับก่อนเช้านั่งสมาธิชั่วโมงในเย็นก็นั่งสมาธิชั่วโมงส่วนกลางวันก็ถึงเวลาล อ, อื่นก็ปล่อยให้มันลุกเราตลอดเวลาตอนนี้หนูพีานำเวลาเกียบที่ให้ ก, ก็พี่ยำ อ, อยู่เวลาบนนะ้ก็คิดถึงตายละที่ถึงเกิดแก่เกิดตายอยู่ตลอดเวลาทำเพิ่ม ถ้าลูปมนะันมันต้องถอยไม่แพ้เราแน่กระจายนะกระจายควรมยะข้ า, นะ า, าวาิว า, าาา ว, าวาอัลปุราตริปุเรนติสากวังเอวัเนวะอิโตชินางเซ ต, ตานังอุตะปะติ อิติตังปิติตังตุมหาเทตนาวะสมิจตุสัพเพตุเรนตุสังกะปาจันทุปะณะระสุยธานันิโชติระสุยธาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพะโรโววินัสตุมาเตปวะตวาอันตารายยสุขิทีฆายุโขภา ราพีวาเทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโอธรรมาวทานติอาวันโอสุขังภาลท่ะลย เช้าถ้าเรามองสีือมงครึ่งนบอกแต่ตอนนี้น้ำม้จะไปทำอะไรอยู่ห้องนมรู้ะกบมัก็ไม่มีใจะถามอะไรก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรข้างล่างมีถามเลยต่างเ่าเปนเดือดคจะรู้กันหวดแล้วว่าต้องทำอะไร เรามาหลายๆคาถามกันเยอะถามตอบปัญหาข้องใจไปหมดนะดูแล้วว่าปัญหาไม่ดีนี่นะยู่ที่โชลังใช่ท่านใจนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดทนที่หนองคายครับ่ะเพิ่งลงมาอกันประจำลาออกจากงานแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นไม่โมดนะค่อยๆเป็นไปเดี๋ยวมันก็มีกำลังมากขึ้นไป เวลาเกิดความรสึกว่าเราขุ่นหรืออะไรโน้วนะคะพี่จอยน่าไดกทุกอย่างว่ามันเป็นอมรูจังมันเกิดแล้วมันหายหรือเราจะถอนตัวเองเรื่องนี้นก็ได้คือเราต้องถามตัวเองว่าเราขุ่นกับอะไระเพรา ะ, ะในขณะนั้นมันต้องมีเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งที่ทําให้เราขุ่นอาจจะเป็นเรื่องภายนอกสิ่งที่เราเห็นหรือาจะเป็นเรื่องภายในคืออารมณ์เก่าที่มันบูดมันปรากฏขึ้นมาคืออารมณ์เก่านี้มันอาจจะเป็นเรื่องของวิบากกรรม คือเราเคยทำอะไรไว้แ้วมันคุณละนามมันก็โผล่ขึ้นมาที่บางวันเราตื่นขึ้นมาอยู่ดีๆก็อารมณ์บุ๋ขึ้นมาเฉยๆ่างนั้นทีนั้นที่ยังไม่ได้ไปไปไปเห็นไปรับรู้อะไรจากภายนอกอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดจากภายในแล้วก็ดูว่าเราแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันไป้บุ๋ก็บู๋ไปอย่าไปต่อต้านมันมันก็บุ๋ไปไม่ตลอดหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องบุ๋นเองก็ยอมรับมันเหมือนเราฝนตกเนี้ย เดะกันมาเจอฝนเน่าทำมันตกไปมันจะตกจะออกไปทํางานไม่ได้ก็นั่งรออยู่ก่อนรอจนกว่ามันจะหยุดแล้วเราค่อยไปมันบูมก็มันให้มันบูมไปเรามีหน้าเออ่เรามีหน้าที่อะไรเราก็ทําไปนถ้ามันจะถ้ามีสติเราก็รู้ทันว่ามันดับไปก็ดับไปถ้าไม่ดับก็ก็ปล่อยมันเป็นไปมนัแล้วเราจะเราจะเบี่ยงเบนก็ได้เราก็อย่าไปดูมันเราก็พุทโธพุทโธของเราไปขับมันออกไปด้วยพุทโธก็ได้ คืีเราจะบอกตัวเองว่ามันก็อยู่ของมันดีๆเราไม่เจอแล้วมันก็ทําให้เราขุ่นถ้าเราไม่คิดนม่อะไรมันก็ไม่มีไม่อยู่กับเราถ้าเราไม่ไปสนใจงมันก็เหมือนก็จะไม่ทําให้เรามันไม่ได้มีวิธีเดียเฉพาะที่แล้วต่อุบายของแต่วละของแต่ละคนจะใช้จะใช้การโดยทำเพื่อทรวเพื่อทัวขับไล่มันไปก็ได้เราเครู้เห็ว่ามันมีขึ้นมามันมีฝ้าลายแล้วูก็โม้เขา ก็เรามีตัวนตนห่ะแบบเอแจวช่หรือเปา ใ, <น S 1> ใช่ไป<ๆ>ไปไ ป, ไปตัวตนไปรับมันไปไปยินดียินรับกับมันการรับรู้มันเฉยมันก็จะไม่เป็นปัญหาทุกใจัะไม่เกิดาสังเกตว่าบางทีมันแบบมันไม่รู้ว่ามันคืออะไรคะมันจะพาเราวบกลับไปที่เก่าแล้วเฮ้ยมเราไม่ใช่อ่ะจะทำอย่างนี้นะเพราะว่า จะวนไปที่เรื่องอะไรที่เป็นของเราใช่ไหมคะเรื่องที่ทั้งเราดีใจเราจะเคยื่อยๆรู้สึกว่าเป็นทุกข์แต่ถ้าเราคิดหรือเราไม่พอใจมันจะรู้สึกว่าเรารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นได้ง่ายใช่ไหะเราไปว่ามันลอยมาเพราะว่าเราเีวนเวียนจยอมเชื่อมันถ้าเราไม่ได้ถึงมันคือไม่รู้ไม่ได้คิดอย่างแต่ว่ามันเหมือนเราจะว๊กกบกะตายแล้วก็โอเค มันก็ไม่ได้คิดต่อเรื่องอนไรเลยเออถ้าเราปล่อยวางมันได้มันก็หมดปัญหาไปมันก็เป็นเหมือนกับเรื่องภายนอกอารมณ์นี่ก็เป็นเหมือนกับฝนฟ้าแดดลมถ้าเรายอมรับกันได้ว่ามันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่สนใจมันก็จบไปแล้วเราก็อยู่ของเราไปตามเมื่อเรามันจะอยู่มันจะเป็นก็ปล่อยมันเป็นไปนไม่สงสัยนะคะไอ้สิ่งที่มันเกิดเรานี้นีค่ะมันเป็น แล้วเราจะต้องมาบอกว่าเพราะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราแล้วมันมีอยู่พราะเราถือมาก ม, มีตัวตนแล้วเราก็จะไปนึกถึงร่างกายเราไม่มีอะไรเราจะเราจะมีอะไรที่จะเดินทางต่อไปในรบชาติหน้าหรือเปล่าอย่างนี้ค่ะคือลูกสงสัยว่าลูกสอนตัวเองถูกหรือเปล่าจ๊ะค่ะคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมภายในจิตเป็นเหมือนกับสภาวะธรรมภายนอกให้ลูกเสียงกลิ่นว่านี่เป็นสภาวะธรรมภายนอก ส่วนอารมณ์บูดอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีนี่มันเป็นสภาวะธรรมใจนัยที่ถ้าใจไม่ถ้าใจไม่ฉลาดไม่มีปัญญาใจก็จะขุ่นงัวตามเลยแค่เกิดทุกข์ในอริยสั์ขึ้นมาแล้วเเกิดสมุทไทยขึ้นมาเหมือนกับที่เราคุณมงัวกับที่เกิดความทุกข์กับเรื่องภายนอกถ้าเรารู้ทันเรามีปัญญาแล้วก็รู้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปจัดการมันไม่ได้มันเป็นไตรลัก เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาถ้าเราไปยุ่งเกี่ยวกับมันก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมาในจ้งถ้าเราปล่อยวางมันเราก็จะไม่ทุกข์กันเช่นว่เตื่นขึ้นมาวันนี้ด้รู้สึกไม่สบายก็ออกวันนี้อารมณไม่ดีแล้วนะรู้แค่นี้ก็พอไม่ต้องไปมีปฏิกิริยาว่าโอ้ไม่เอาละไม่ไหวละไม่ชอบละอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาละรู้ว่ามันกลมสักแต่ว่ารู้ก็พออเหมือนกันเราสักแต่ว่ารู้สิ่งภายนอกภายในก็เหมือนกัน ท่านยังสอนว่าให้ให้ให้สักแต่ว่ากับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในทั้งส่วนหยาบและส่วนละเอียดแต่มันละเอียดกว่าภายใ น, นนี่มันละเอียดกว่าภายนอกนะมันมันเป็นขัน้ขนของสติปัญญาอีกขั้นหนึ่งที่ถึงจะลูกทันเลนแล้วเราขาสติสาวเขาจะตีเราตื่นขึ้นมาปุ๊บนะคะพอเราข้าวเท้า ตั้งใจเดินชมกลมการคิดที่มันค้งอยู่ขอเก่ามันเหมือนกับว่าเออเรื่องนี้ที่สงสัยเนี่ยมันมีคําตอบออกมาให้ลูกหมันใส้มานะคะมันเป็นพราะะถ้ามันรู้ว่ามีคํำตอบแสดงว่ามันเป็นปัญญามันพูดขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าใครตอบมันก็มันคําถามมันเกิดขึ้นในที่เดียวกับคําตอบมันแล้วมันเอามาจากที่เดียวกันคําถามก็มาจากสังขารคําตอบก็มาจากสังขารลูกถามลกลองพ่อ ที่วท่านอาจารย์ที่ร <Award> ูกพักอยู่นะคะก็มันเป็นสางขาเมันก็ทำของมันไเออเล่นสนุกไปแต่ว่ามันปรุงออกมาไปเรอยถึงเวลาใครถามตาทาเรามักจะบอกว่าอย่าถามทีมันก็จบมันถามอยู่ก็อย่ไปถามถ้าไม่ถามมันก็ไม่ไม่ต้องหาคาตอบเสียเวลาคิดขึ้นมาหาใจคอาจารย์ ปัญหาบางคำถามบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องไปหาคําตอบมันคิดเรื่อยไปใช่คาถามที่ท่านบอกว่าเป็นอาชีพตายอย่าไปถามมันให้สุดเลยถามดีกว่ามันทุกพราะอะไรตอนนี้ทุกพราะอะไรมันต้องทุกจากสมุทัยนะั่นแหละค้นหาดูวยวมันตอนนี้มันอยากกับอะไรอยู่เพราะนั้นถ้าเจอมันก็ดับได้ แต่เรื่องอื่นว่าโลกนี้ใครสร้างใครเกิดม า, า, ก, าก่อนใครไกลกอดก่อนไขรหรือครับแต่ไัวถามใันเสียเวลาไม่เกิดประโยชนาอะรถามนี้มันเกิดขึ้นจากก็แล้วอยู่ที่เฉยแล้วมันมือคันท่านท่านบอกเกาไม่ถูกที่คัน อาชี่คนจะเก่าไม่เก่ากันก็คือที่อริยสัจสีเนี่ยมันไม่เก่ากันมันไม่พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายอ่ามันไปคิดเรื่องอื่นคิดอยูะคิดเรื่องนี้คิดอยู่ทั้งวันเกิดแก่เจ็บตายคิดลงไปเถอะอันนั้นแหะตัวที่ทําให้เราคันอยทั้งวันนี้ที่เราทุกข์อยู่ทั้งวันนี้ก็ทุกข์เพราะความแก่ความเจ็บความตายนี่เองแช่มันตรงนี้ให้ได้ พอเปนแก่เราเรียกเราไม่สนใจนะเพราะเราจะเกิดก่อนใครไม่สนใจไขจะมาก่อนก็ได้ไขจะมาก่อนก็ได้มันไม่เกี่ยวกับเราพระวจจะท่านอาจารย์ ส, สอนเคยตัดไปแล้วว่าท่านเคยหยิบใบไม้ขึ้นมาหยิบกํามือเนี่ยมาถ่องถามง้าพิสูจน์ว่าใบไม้ที่อยู่ในกํามือของตัดถา ก, ดกับใบไม้ที่อยู่ในฝ่ามือ ส่วนไหนจะมากกว่ากันพระพิสุก็บอกว่าส่วนที่อยู่ในป่าต้องมีมากกว่าพระวุทธอง์ก็สอนบอกว่าถูกแล้วความคำสอนของเราที่สอนพวกเธอก็เหมือนกับใบไม้ที่อยู่ในคนําเลยแต่ความรู้ที่เรายรีนอยู่นี้มันมีเท่ากับใบไม้ที่อยู่ในปา่าแต่เราไม่นำมัมาสอนที่เธอเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรสำหรับพวกเธอ เราสอนเท่าที่จําเป็นเพื่อที่จะให้วกเธอได้เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วจะเห็นความจะมีความรู้เท่ากับที่เรานี้ได้ด้วยตนตนเองเพราะปัญญานี้เมื่อมันเริ่มคิดเริมพิจารณาแล้วมันก็จะเป็นเหมือนไฟที่ติดเชื้อมีเชื้ออยู่ไหนมันก็จะมันก็จะมันก็จะไม่ตามไปไหม้ตามไัทนขอให้พิจารณาตรงท่าอริยสัจสีนี้ค่ะ เม่ได้ถึงคามริยะสังขีแล้วเรื่องอย่างอื่นต่อไปมันจะเข้าใจเองทีกอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะว่าท่านอาจจะบอกว่าที่ไม่สอนอย่างอื่นเพราะว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาของเราปัญหาของเราก็คือความทุกข์ใจเหมือนกับคนที่ถูกธนูถูกทุกสอนยิงหรอลูกธนูปักจิตอยู่ใน อ, อก เวลาคนจะมาช่วยเอาลูกทารกออกก็ไม่ยามให้เอาออกต้องต้องบอกก่อนว่าใครเป็นคนดนแล้วก็คนนั้นมีฐานะอะไรมีชื่อเสียงมีมีชื่อมีานามสกุลว่าอย่างไรถ้าโมาแต่เสียเวลาไปไ ป, ไปหาข้อมูลเหล่านี้มาแล้วค่อยมาเอาลูกสอนนี้ออกจากอบก็อาจชญาก่อน อย่ากจะสนใจเรื่อง ก, กิมตายเรื่องความสามารถของพระพุทธเจ้าก็ดูเรื่องว่าโลกเกิดมาได้อย่างไรก็ดีใครเป็นคนสร้างโลกหรือไม่มีใครเป็นคนสร้างโลกความกรรมมันเป็นยังไงมันย้อนไปในอดีุทำที่เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดเพราะอะไร แค่มีคนตายในพัพตามปีใหม่ก็มาถามว่าเพราะเขาทำกรรมมาร่วมกันเพราะอยไรไม่สนใจนหรือไงนี่คเรื่องของเราใช่ไหมเปนถามที่ถามกันทั่วเมืองนะท่นถไมเ่เป็นปัญหาที่มันไม่ตรงประเด็นกับปัญหาของเรา จิตเราจะไม่คําตอบไปล่วงหน้ามันเป็นสําคัญมันมันก็มันก็มีคําตอบอยู่พอแบบพอคำถามมามันก็มีคําตอบในใจเราแล้วเราก็จะรอฟังท่านรู้ไหมเราการรอฟังท่านตอบเสร็จแล้วถ้าตอบตรงกับที่เราคิดไว้ก่อนเราก็จะรู้สึกดีใจแล้ก็สันติภาพเล็น้อยแน่เรามันเป็นการย้ำความเข้าใจของเราว่าส่วนที่เราพิจารณาก็ตรงกันถ้าถ้าตอบคนลคนแนวเราก็จะโอ้เรา มันก็มีประเด็นให้เราต้องต้องพิจารณาตามทเีเพราะเพราะว่าในใจเรานี้มันมีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามความจริงกับความเห็นที่ไม่ถูกต้องตามความจริงถ้าเราพิจารณาด้วยมิจฉาทิฏฐินี้แล้วเมืม่อเราไปคุยกับอีกคนหนึ่งที่ก็มีสัมมาทิฏกิมันก็จะไม่ตรงกัน แต่ถ้ามิจฉาทิฏฐิกัมิจฉาทิฏฐิเจอกันก็อาจจะตรงกันได้คนค น, คนชอบกินเหล้าคนชอบกินเล้าคนชอบกินเหล้าเจอคนชอบกินเล่าบอกกินเล่านีา้ไหมก็บอดีแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ <c oughs> เย <c oughs> เราต้องมีมาตรฐานสัมมาทิฏฐิก็ต้องคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นมาตรฐานของสัมมาทิฏฐิถ้าเราสงสัยอะไรเราลองไปศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าดูว่าท่าน ท่านห้ามเราให้ทําอย่างนี้หรือเปล่าเช่นท่านห้ามเราเดื่นสุราแล้วคนอืเลยบอกเดื่นสุราไม่ไม่ผิดไม่เสียหายเนี่ยเราก็ต้องยึดคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นมาตรฐานแล้วนะคนที่ไปคิดขัดกับพระพุทธเจ้านี่ถือว่าเป็นนิชชาทิฏฐิเท่านั้นเช่นพวกที่จะส่งเสริมให้เปิดบ่อนคาสิโนอย่างนี้เป็นต้นว่าจะนําความจเจริญมาสู่ประเทศชาติตรงนี้ขัดกับคําสอนของพระพุทธเจ้า เจริญอาจจะเจริญทางด้านวัตถุแต่จะนำมาความเสื่อมเสียทางด้านจิตใจซิ่งเป็นไทมากกว่าความความเสื่อมเสียทางด้านวัตถุเสียวัตถุมันไม่มันไม่ทําให้คนเดือดร้อนแต่เสื่อมทางด้านจิตใจนี้อยู่กันไม่เป็นสีขคนจะไม่มีสินไม่มีธรรมแต่ถ่าฟันกันจะเอาวัดเอาปีบกันจะโกงกันจะเล่นการสนานเราสูญเสียก็อยากจะได้คืน ก็ต้องไปลักเล็กขโมยน้อยไปช่อดโกงเพื่อจะเอาเองินมาเล่นต่อมันก็ทําให้จิตใจเสื่อมทําให้สังคมเสื่อมลงไปแต่เขาไม่เห็นส่วนนี้เขาเห็นเขาเห็นส่วนเงินที่ควรจะได้จากการสร้างบ่อนจะมีคนมาเที่ยวมาเล่นบ่อนมาเล่นการพนันและคนไปได้มีงานทําทํางานในบ่อน เขาจะมองไปในรูปแบบของรายได้ทางด้านวัตถุแต่เขาจะไม่ดูถึงผลเสียทางได้จิตใจและสังคมผลที่มีในกระทบกับสังคมโดยรวมจะเป็นยังไงสังคมจะอยู่กันแบบคนได้ิศีลธรรมเขามองไม่เห็นเพราะเขามิจารท่ชุเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องมีมาตรฐาน เป็นเครื่องวัดเหมือนกับเราจะวัดอะไรเราต้องมีเครื่องวัดน้ำหนักก็มีกิโลไว้วัดความกว้างยาวก็มีไม่เมตรไว้วัดฉะนั้อธรรมที่ฐิก็มีคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นธรรมทิจฐิหรือขาทิฏฐิก็ดูที่คําสอนของพระพุทธจเจ้าไปดูที่การบําเพ็ญของพระพุทธจเจ้าไป เกิดที่การประพฤติของพระอริยสงฆ์ชาวโลกเนลัก น, นั่นแหละเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องของสัมมาทิ่ฐิท่านท่านแสวงหาราชยศสารสนสุขหรือท่านละราชยศสารสันสุขก็ดูตรงนั้นท่างโลภโกดลงหรือว่าท่านไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ด, ดูดูตรงที่การประพฤติและการออกคาสอนของท่านนั่นแหละเอามาจากสัมมาทิฏฐิเท่านั้น ท่านถึงเจริญท่านถึงได้รับนักมาล้มา ล, ลมวสุบาลามังสุ ข, ขังก็เราก็ได้รับ ก, การเยียว่าการเกิดได้รับความทุกข์จากการจากความแก่ความเจ็บความตายจากการทับทาจากกาันเป็นผลของนิสชาทิจิตถ้าเราแสวงหาราบยึสนัสนุนเสร็จแล้วเราก็จะต้องทุกกับการเสื่อม การสูญเสียนะในลาบยศฉันและเสื่อมถ้าเราไม่แสวงหาแล้วเราก็จะไม่ทุกกับการสูญเสียของราบยศสันแลสื่อมเพราะเราไม่ได้อาศัยเขาเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นความสุขให้กับเราเราอาศัยความสงบ เ, เป็นเราให้ความสุขกับเรามีสือมารฐานของสมาธิอีกอย่างนี้ เป้าหมายของสมาธิถึงนนี้นก็ขึ้นมาที่จิตที่สงบจิตที่ละงับจากความอยากความโลภทั้งหลายจากความโกรธจากความหลงทั้งหลายด้วยการปฏิบัติทานสีปวานานี้ท่านน้ที่จะทําให้เกิดผลนี้ขึ้นมาได้ตรงนี้ยังไงเวลาเราคุยกับใครเขาว่าดียังไงเราก็อย่าร เ, ราเาาพิ่งไปเชื่อเขาเราต้องถามพระพุทธเจ้าก่อนว่าท่านพูดอย่างนี้หรือเปล่ปาท่านสนับสนุนอย่างนี้หรือเปล่ปา ถ้าท่นไม่สนับสนนก็แสดงว่าไม่ดีอย่าเอาเสียงส่วนมากเป็นหลักเพราะพวกกิเลสนี่มันมากกว่าทุกธรรมะเหมือนเหมือนเขาวัวกับขนวัวนกธรรมะนี่มีแค่สองเขามีเขาวัวตัวหนึงมีเขาแค่สองขาเทนั้นแต่มีขนวัวนี่เต็มไปหมดเลยถ้าเราจะเอาประชาธิปไตยมาเป็นการ ตัดถิ่ลักษณะของคุณธรรมเนี่ยใช้ไม่ได้ต้องใช้อย่างที่ได้แสดงไว้ในในการที่ทอนแม่ชีว่าลักษณะการตัดถิ่นธรรมต้องเป็นไปเพื่อความรักเพื่อความสงบของจิตใจถึงจะถือว่าเป็นธรรมครับเป็นเป็นสัมาทิฏฐิถ้าเป็นไปเพื่อความโลภความโกรธความเหนื่อย ท้อควา ม, มวุ่นวายข้อความโครงสร้างอันนี้ไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ า, จาไม่ใช่สัมมาทิฏิต้องศึกษาน o n มากเราอาจจะศึกษาไม่พอหรือศึกษาแล้วแต่มันเข้าหูซ้ายหรือหู ก, กว่ามันไม่เข้าไปในใจ <c oughs> <c oughs> มันไม่เข้าใจ <c oughs> ถ้ามันอยู่ในใจแล้วปัญหาจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะมันรู้ท่านรู้หมดแล้วท่านสอนพรเจ้าไม่นด้ไม่ไม่ลี้ลับไม่มีปกปิดคือความจริงที่เราต้องรู้นีขั้นสอนหมดท่านแสดงนั่ท่านเปิดเผยีมดีิ่งที่ว่าเราเราศึกษาแล้วมันปิดเข้าไปในใจเราหรือไม่เราเกิดทางเข้าใจหรือม่หรือศึกษาแล้วมันก็ผ่านไป ศึกษาแล้วต้องปฏิบัติด้วยมันถึงจะเมันถึงจะเข้าใจอย่างจริงจจริงจังถ้าล้วไม่ปฏิบัตินี่มันยังเป็นสัญญาอยู่ยังเป็นจินตนาการอยู่ยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงอย่างที่คิดหรือไม่แต่ถ้าปฏิบัติแล้วมันจะยืนยันกันพระออกเป็นอย่างนี้ <c oughs> พยายามปฏิบัติให้มากๆไปแล้วกันนะพยายามตื่นชีวิตหาเวลาไปปฏิบัติตื่นชีวทิที่บ้านก็ได้เข้าห้องอะไรขังตัวเราเองไว้ในห้องไม่ต้องออกมายุ่งเกี่ยวกับใครภายนอกถ้าไม่มีภ า, ารกิจหรอะไรวันนี้ก็เห็นป้ายไว้ที่ห้องเราห้ามรบ ก, กวน <c oughs> ตามโรงแรงก็ยังมีป้ายแขวนไว้เลยนี่แหละห้ามรบ ก, กวนเราก็ตื่ไนไว้ในบ้านเราในห้องเราห้ามรบ ก, กวน ตอนนี้ใจวัดอยู่วัดอยู่ที่ใจวัดอยู่ที่ใจเราวิเวกสงบไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องภายนอกใจเราอยู่กับธรรมะอยู่กับสติอยู่กับปัญญาอยู่กับสมาธิแล้วเราจะได้รับอะไรที่ทไม่คาดฝันมันอยู่ตรงนั้นแหละมันไม่ได้อยู่ตรงไหนหรอก คุณอาจารย์ท่านจะเก่งขนาดไหนก็ท่านก็เพียงแต่ที่ให้เรากลับมาหาหาที่ตัวเรานี่ะถ้าเป็นเหมือนกระจกทอสะท้อนให้เรากลับมาที่ใจเราแต่หากี่ลูกกี่องค์ท่านก็บอกให้เจริญสติให้ทําสมาธิให้เจริญปัญญาให้มีความภาคเพียรให้ปิดผู้เวทให้สังรวมอินทรีย์ตาหูจหมูกลิ้นกายแต่เราไมา่ค่อยปฏิบัติตามที่ท่านสอนกัน เราชอบไปหาท่านด้วยไปหาที่รท่านก็บอกให้กลับไปภาวนาะ <c oughs> เราก็กลับไปหาท่านึ่ง <c oughs> ลองขังตัวเองดูในหะ้องก็ได้แค่้าชั่วโมงชั่วโมงโดยนายกนกว่านั้นได้ยังดีขังแบบว่าไม่มีอะไรมาคอย บ่มีเงิมเลยไม่ดูไม่ฟังอะไรนะั้นมีแต่สติสมาธิรัปัญญาเป็นเครื่องมือต่อสู้กับกิเลสคือความอยากต่างๆที่มยในใจโอ้ยถ้ามันสงบตัวล่างหน้านี่โอ้มีควาสุขเบาอกเบาใจมันมีความสุขแบบไม่รู้จะพูดยังไงเมื่อก่อนนี้เราแพ้มาตลอด มันสั่งให้เราไปนี่มา น, นี้ได้สมอแต่วันนี้มันจะสั่งเราไม่ได้แล้วเป็นความสุกใจอย่างยิ่งใจที่ได้รับการปลดเครื่องจากความกดดันของความอยากต่างๆด้วยกําลังของสติสมาธิและปัญญาวิริยะความภาคเกลีงและขันติความอิจฉ <c oughs> เนี่ยมันอยู่ตรงนี้การปฏิบัติธรรมมันไม่ได้อยู่ตรไหนอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่การขังตัวเราเองให้อยู่ในที่สงบที่ไหนที่ที่หนึ่งแล้วก็ต่อสู้กับไอ้ความอยากในใจนี้ให้มันให้มันยุติลงไปไม้ได้พอมันยุติได้อะมันก็ไม่มันไม่คิดอยากจะออกไปจากห้องสบายอยู่ในห้องแสนจะสบายแต่ถ้ามันทุกทรมานก็แสดงว่าความอยากมันยังไม่ยุติมันยังทํางานอยู่ มันจะทำให้เรารู้สึกทุกท์ทมาจากใครไม่ชอาใครได้ยินประวัติของพรทพิสุิอยู่ร่มงือเล่าท่านสมายที่ท่านปฏิบัติท่านไปปฏิบัติที่เมืองกาญฯอะไรใ่แล้วท่านก็วันนึท่านเหวท่านไปนั่งในป่าแล้วให้ให้ท่านหูเพื่อนเอาเชือกมามัดตัวท่านหว้ยทื่งให้เพื่ท่านอยู่ในป่าสามวันนท่านจะต่อสู้กับไอ้ความอยาย พอ้าไม่ถูกมันไว้เดี๋ยวมันจะต้องลุกขึ้นมาแล้วท่านก็อยู่ได้นี่แหละอุบายวิธีของการต่อชีวกิเลศแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันแต่มันก็ต้องเด็ดเด็ดทั้งนั้นเนี่ยมันถึงจะมันถึงจะได้นะครับ พระอะรพระอริยสงฆ์นี่ก็เป็นสละนะัะงเป็นแบบเป็นฉบับเป็นตัวอย่างเป็นแม่พิมพเราอยากจะได้ผลอย่างที่ท่านได้เราก็ต้องเอาท่านมาเป็นแบบเป็นเป็นเป็นสมัะท่านปฏิบัติอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นคือไม่ได้ตรวจใหม่ไม้ อ, องทนนังก็ไม่ได้เพขายายได้ต่อไม่ต้องใครเหรอ ก็ไไม่ต้องสะพานแล้ควรแกรเวาแล้วชั่มงคึ้นมานี่แหละเป็นดีนะ้าจะได้วราก็อยู่ในนี้เดี๋ยวก็ทาได้ที่นันพอจะให้แล้วทํานเป็นันที่มีเรื่กตันี้ เกิดชาแล้วก็เก็ชาวันนี่ไม่เห็นเลยไหมอย่าันตาว่าจะอยู่วันที่นี่เราไปแต่ราต่างข้างโลกที่อยู่ที่อู่เราไปเราเ่นรถโดยสารข้ามชาไม่ได้ดู ก็ไม่เป็นปัญหามากนะก็ยังมีอยู่บ้างแต่บางครั้งก็หนด้ดีกว่าจดดีกว่าเก่าเยอ่เม่เรา้ยาแคลเซยาแคลเซียมเทำให้การเนื้อมันยืดหยุ่มันไม่แข็งมันไม่แข็งแกรเพื่อทำให้มันขยายตัวได้ พ่อนาอยู <sm> ่ที่บ้านค่ะที่สนุทีนี้ก็มตก็พิจารณาอะไรเงี้ยมนสติแต่ความคิดมันวับเลื่อมอล้วก่อนมันแว๊บถีบตีนี่นี่ก็อยู่กับพุทโทอะไร่เงี้ยอยากให้ดวยรวแต่ก็ยัง กุศลยก็สนันนเวลาพอได้สูกศิลย์ไปอยูุ่ศลที่งานเกิดแก่กุศท่องไปก่อนไ้ต้องแปลว่แก่กุศลานบัทร์วนดูาตนเลได้ลมีรกาศได้แี่เร่งกันความคิดนี้หนงราสารรมเนี่ยเอามถ้าลเียดมาคิดันจะเกขนาีธรรมะมันก็จะทําให้ติต เราเห็นแต่ท้องอนี้จังทุกข์สั่งลจนี้เคิดแก่เจ็บตายแค่นี้ความคิดอยากอยากเป็นอย่างนี้ความคิดอยากหวงนั่นหงนี่มันก็จะไม่มีโอกาสได้คิดแล้วไี้ความคิดเนี่ยมันหลายมาโดยที่เรื่องก็ไม่ปตัดต่อกันเอ่ใช่ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สกัดมันไว้เราไม่แยกความคิดมาใช้นี่มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นทั้งหมเมื่อก่อนไม่ได้ดูตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้วันหนึ่งคิดกี่เรื่องแต่ตอนนี้เมันถือตัวยาจะถูกกินเด็กมาไปใช้ใช่ไหม เนื่องเรามีรถอยู่คันหนึ่งเนี่ยแต่คนสคนแยกกันขับคนใหญ่กี่เลยมันจะแยกประจับกันพราะเราไม่เราไม่เราไม่บุกมันเราไม่ไปแย่งเขาเราเราเขาอยากจะได้เขให้เขาไปก็ก่อนมันคิดไปเขาก็คิดไปทางทางปัญหาทางความทุกต ja ่อไปนี้เราไม่ได้แล้วตอนนี้เราต้องบังคับให้มันคิดในเรื่องของธรรมะนะคิดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายทำต้องกบฏกรรมไปก่อนไมได้ถ้าเราไม่มีกําลังที่จะแยกแยะ คิดไปต่อแก่เจ็บตายดินน้ำมลไฟอันนี้จังทุกข์ันธนาตาแล้วพอเราเริ่มมีกําลังแล้วก็คอเข้าว่าอั น, นิีจังเป็นยังไงขัธ์ตาเป็นยังไงเกิดแก่เจ็บตายเป็นยังไงใครบ้างที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายเนี่ยคิดไปอย่างนี้ไปให้มันเป็นเรื่องประญาเขึ้นมาแตต้นก็เหมือนกับท่องกอไก่กอไถยไปก่อน ให้มันอยู่กับอนิจจังทุกขังอนัตาเกลียเกล็ศตายดินน้ำลมไายผมผลและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเท่ามันไปอย่างนี้ถ้าต่อไปพอจิตเรามันก็เริ่มมีกําลังที่เหลือมันไม่ค่อยมีกําลังที่จะฉุดหล่าไปคิดเลยเราก็จะได้วิเคราะห์มือนกันว่าผมมันอยู่ตรงไหนขนอยู่ตรงไหนเล็บมันอยู่ตรงไหนมีลักษณะอย่างไรฟันเป็นอย่างไรเนื้อหนังเอ็นกระดูกเป็นอย่างไรก็วิเคราะห์ไปต่อไปมันก็จะติดในนิสัย มันก็จะพิจารณาวิเคราะห์ไปเรื่อยๆเจ้าใครก็จะแทนที่จะดูเขาว่าเป็นใครชื่ออะไรก็ดูแต่ผมต้องเขาเป็นยังไงหนังก็เป็นยังไงแล้วก็เป็นยังไงก็ดูก็เป็นยังไงดูดูดูดูทางธรรมะมันจะดูอย่างนั้นถ้าดูทางกิเลกก็จะดูว่าเป็นผู้หญิงเป็นคุณนางเป็นอดูใครพ่อใครแม่ใครนามสกุลอะไรจะมองอย่างนี เรียนที่ไหนจบที่ไหนรรมีการศึกษาสูงหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของกีวิถพาไปใช่ไหมเอาเปนเรื่องของสมมุติแต่ถ้าเรื่องของธรรมะแล้วมันจะเดือดแต่เนี้ยอาการสามสิบสองดูแต่ผลผลเลปันดูแต่เกิดแก่เจ็บตายเขาแก้รวยขนาดนั้นเดี๋ยวก็ต้องแก่แก็ต้ อ, องเจ็บเขาก็ต้องตาย atte, ไม่ได้วิเศษอะไรกันเลยทีรงนี้ เงินทองก็มีมากขนาดไหนก็แก้ทางแก่ทางจิตทางกายไม่ได้มันจะคิดไปทํางธรรมะเราไม่สร้างขึ้นมามันแย่งมันแย่งไปตลอดเลวลาเราไม่บูกมันไงเราไม่เราไม่แย่งเขาขึ้นมาขึ้นในทางธรรมกันเราชอบปล่อยให้มันคิดไปตามเรื่องของมันเลยคิดสับตะคิดอะไรลึกๆเงี้ยอะไรมันปวดขึ้นมานีคิดบางทีไม่รู้ว่าคิดอะไรเลยไหลไปเรื่อยะ เราต้องเอามาคิดต า, ตามาทางของธรรมะแล้วต้องบังคับต้องดึงมันมามันถึงจะไปต้องลากมันแานแต่พอรู้สึกว่าเราคิดเธอะปุ๊บมันอิจฉุะไปได้แนละ้วเดี๋ยวคนหนึ่งก็จะว่ารอก็ให้ไปแล้ว ก็คือไม่ได้มีเจตอย่านี้ค่ะต่หน้าสมเกลียวนี่มาว่ กหมันพี่ตกันเมันี่าเหมือนหมือนอาจาจอาจาร์จันทร์ท่านอจรย์ยุ่งหมคะมนมากก่นมาเข้าบูชางกาวันมาเขดีไมมีงานนะันร์นะข้าจะลบากไม่สะดวก รว่ามันได้แต่เช้ามานี่พอเสร็จก็ต้องรีบไปลงปฏบัติาน่อนปฏิัติงาวก่อนจเสร็จก็บ่ายนังตอนนั้นก็ไม่มีเวลาพักเลยแล้วทั้งต้องมาจีนี่สามชั่วโมงแด้วสี่นมงเดี๋ยวตอนหัวค่าต้องไปเย็นคนไปเช่ากันอมื่อคื่อของเล่นดูฝ่ายเด็กค่ะเปะนอ่เ วันเทศการนี้ขอของมงควันมาฆาบวันนี้าตวันาตพิสอจะมีภารกิจที่มันตาจ้องรเไ่าจะได้เอาเินไปต้องต้องลงไปนัเปลี่ยนเหรว่อาองนต้องลงไปทาวัดเดียนตารหโมงเนมา้ามเทศเทศกอนเยีนพิมพานเทศถึงสมเด็จก็สังก็ การทำพิธีกราบความช้าทำบูชาแล้วก็เวียนเพราะฉะนั้ท่าจะไม่มีเวลาพักเลยแต่ไม่มาตีสามตีสี่แล้วก็ตลอดเลยอาจะได้รักตอนหลังจากเล่นปฐมโลกคือเสร็จปฐมโลกประมาณบ่ายโมงตอนนั้นก็จะมีเวลาว่างหน่อยถ้าไม่มีใครมาเรบควรนะถ้ามีใครมาหาเราบางทีก็มีคนมาหาอยู่ ไม่มีเวลาพะัะถึงเย็นก็ต้องรีบอาบน้ำงถุงน้แล้วก็ต้องรีบไปลงโบสถ์ตอนแล้วถ้าต้องมานั่งค้งนี่งบายโมงคึ่งถึงสงไม่มีเวลาทํา้ไม่มีเวลาไม่มีเงนเล่น้ล่ขอบพระคุณเสมอคุ